เราไม่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีอย่างเดียวเรามานั่งภาวนาข้ามปีด้วยนะเรายังุ่งมาสวดมนต์อย่างเดียวไม่นั่งภาวนาพูดถึงภาวนาแล้วกลัวแล้วเกินหน้าเข็ดหน้าลาบแล้วเกินแหมอาหารที่โอชะอริดอร่อยแล้วมาปล่อยทิ้งนี่น่าเสียดายอะ่ะเราต้องมองเห็นเรื่องภาวนาเป็นเรื่องใหญ่กว่า เรื่องภาวนาถ้าเราทำติด อ, อกติดใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของเราทุกระยะทุกเวลาการตั้งใจภาวนาคืออบรมจิตนั่นแหละจิตของเราที่มันดื้อมันด่านเพราะอะไรเพราะเราไม่อบร ม, มการภาวนาเป็นการอบรมจิตโดยตรงการภาวนาใช้สติใช้สัมผััญญเนี่ย เป็นตะปะทำแผข้าไปเผาไปอบกาไปรมเข้าไปเราดูอุปมาให้ออกเราเราจะเสียดายเวลาเวลาที่เราไม่ทำ เ, เสียดายเวลามากอมโอกาสที่เราจะมีเวลามานั่งภาวนามันไม่มีบางคนไม่มี ฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราจะได้รู้ว่ายืนก็ทําได้เดินก็ทําได้นั่งนอนทํางานอะไรก็อบรมจิตได้มนุษย์เราที่ประเสริฐที่สุดอยู่ที่การฝึกตนมนุษย์ผู้ไม่ฝึกตนไม่ประเสริฐบุคคลที่ฝึกตนประเสริฐที่สุดเพราะจะถึงความเป็นเลิศได้ในการฝึกตน ทุกคนเป็นวัตถุดิบด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าท่านไม่ว่าเราเป็นวัตถุดิบยังไม่ฝึกหลันดัดแปลงมันก็ดิบดิบอยู่อย่างนั้นแหละกิเลสตัณหาก็คืออะไรก็คือวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ฝึกมันเราต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับการฝึกฝนอบรม ยิงอบรมเรื่องจิตโดยตรงโดยเฉพาะด้วยแล้วอู้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เราเอาไปใช้การงานประโยชน์อย่างอื่นคดีโลกคดีธรรมเกือกูลหมดเกือกูลหมดอย่าลืมว่าจิตเราถ้าเราไม่เอาธรรมมาอบรมนะกิเลสมันจะอบรมทุกระยะทุกเวลานะกิเลสไม่เคยปล่อยให้เราว่างนะถ้าเราไม่อบรมธรรม้าสูญหายใจ กิเลสมันอบรมอยู่นั่นแหละอบรมโดยหลักธรรมชาติของมันไม่ต้องไปตั้งใจอบตั้งใจรมหรอกมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแต่การที่จะตั้งใจเอาธรมา ร, มธรมะเข้าสู่หัวใจอบรมธรรมะเข้าสู่หัวใจเราต้องฝึกเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ไม่ฝืนไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ให้เราแ ต, มแตะมันแหละแตะปั๊บมรสบัติแตปะปั๊บม็สบัติ พุโทโธพุโทโธพุโทโธยังไม่ได้พอสิบคำมันทีบออกมาแล้วถีบจิตของเราออกไปไหนก็ไม่รู้นี่คือขาดการฝึกบุคคลที่ฝึกตอนดีแล้วนําความสุขมาให้ฝึกตอนก็คือฝึกจิตนั่นแหละฝึกจิตจิตตั้งดันตั้งสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ ผู้ประเสริฐผู้เลิศที่สุดในโลกคือผู้คือผู้ฝึกตนการฝึกตนก็คือการตั้งใจปฏิบัติกับการกับงานทุกอย่างทุกแขนงทุกสรารคดเราเอาการฝึกตนไปฝึกได้ไปปรับใช้ได้แต่การฝึกจิตยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างทุกเรื่อง การฝึ ก, กจิตก็คือการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตก็คือการฝึ ก, กจิตเราต้องให้ความสาคัญงานการของเราในชีวิตของเรามีอะไรที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีถ้าเราไม่ฝึกตนฝึกตนได้แล้วนาสุกมาให้เอา ว, <c oughs> วลาเวลานอกเอาเวลานอก แล้วเข้ามาอีกยังไม่จบนะระวังนะมันใกล้จะชิดตังเม่แล้วนะเราใกล้จะชนะแล้วนะอย่าไปทิ้งนะอา้าปราบก่อนก็ได้เอาเอาปราบก่อนอคําแพรเมตตาเนี่ยท่านมหาอ่าคแัแพรเมตตาย แถวที่สองสุดท้ายเนี่ยกระตังปุญยงพลังไม่ห่างเนี่ยเป็นกระตังปุญยะพลังไม่ห่างหรืออะไรแ่เปกระตังปุญญะพลังปุญญาพลังแต่อันนี้ก็เขียนเป็นปุญญานั่นเนี่ยเคยมีหมู่ทักท้วงอยู่เขบอกกระตั้งปุญญพลังไม่ห่างเนี่ยไหนมันมันผิดกันตรงไหนคําแปลมันมันผิดกันตรงไหนอถ้าปุญญะพลังแปลว่าผลแห่งบุญครับ เป็นคำเดียวกันครับคุณยั้งพลังครับแต่ น, นี้เขามาแยกใช่ไหมครับถ้ามันแยกกันมันจะผิดครับผมนี่เยท่านดูที่หน้าแปดสิบเนี่ยแถวที่สองซ้ายมือเนี่ยกตังคุญยังพลังไมหั่งเนี่ยวันนั้นมูเขาก็ทักท่วงว่ามันผิดมันผิดทําให้เกิดเป็นแปลธําผิดใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นคุณยัพลังครับคุณยะพลังไมหังแล้วก็ติดกันด้วยใช่ไหมครับผมติดกรรันคุณยะ้งพลังไมหั่งเนี่ยพวกเราไปแก้กันนะ เรระตังปุณยังพลังไม่ห่างเลยเนี่ยมาว่าตามหนังสือเนี่ยหนังสือผ้าพิษน่ยหนังสือผ้าพิษน่ยกระตังปุณยังพลังไม่ห่างเนี่ยกรตังปุนยะพลังไม่ห่างอ่าสแลกมันมีอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามดมมูมันมีอีกอันหนึ่ง สับสัดุคฆาปมุนจันตุเนี่ยสับดุคฆาปมุตปมุตจันตุหรือปมุนจันตุปมุตเนี่ยเนี่ยันนี้ก็ปมุนจันตุอีกแล้วเนี่ยหน้าเจ็เจเจ็ดเก้าเนี่สับดุคฆาปมุนจันตุนผมผมจจะไหนจะไดมาปมุตจันตุเน่ยผมมันเป็นธาตุเดียวกันครับถ้าเป็นถ้าเป็นคาแปลก็หมายถึงอะไรจงพ้นครับ จงพ้นจากทุกทั้งมวลเถิดอใช่ไหมครับผมถ้ามุนจันทูมันจะเป็นภาตที่เรียกหากมมันต้องปล่อยซึ่งครับอ๋อจงพ้นจากทุกเถือนแต่คำแปลถูกอยู่เนาะครับผมจะว่าคำบาี่นฟิสสมุษอาจารย์ะกครับครับผมอาจารย์สอปีครับอ่าไปแก่นะแกยาโสกันยาโสกัน ใครอยู่ข้างในก็นั่งภาวนาใครออกไปข้างนอกรีบเสร็จกลับมานะนั่งภาวนาต่อนะวันนี้เป็นวันที่เรามาประกอบกรณียกิจเป็นพิเศษมันเป็นมันเป็นแรงกระตุ้นทำให้พวกเรามีความอุตสาห์ ความขยันหมั่นเพียรมันเป็นมันเป็นแนวโน้มของสังคมที่มีการปลุกระดมตรงนี้ขึ้นมาได้นับดีเยี่ยมถึงแม้ว่าเราจะทำเป็นประจำอยู่แล้วก็ตามแต่พอมีอันนี้ขึ้นมารู้สึกว่าหลายๆแห่งมีการทำกันปันสงท้ายปีใหม่ตอนรับปีเกา่าเน่ยเรา ส, สวดมนต์ข้ามปี ไม่รู้เป็นนโยบายของใครไม่รู้นะส่วนมนข้ามปีแต่เราจะพานั่งภาวนาข้ามปเาีเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเราจะพูดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เราจะพาสวดสองสอีกนะอาทิตย์อาทตอาทิตย์อาทิตย์ยังจะสวดสองสอีกนะอาทต์อาทิตย์ บางทีอาจจะถึงหมหาสติเนี่ยจะถึงเปล่าเนาะนี่มหาสตินี่หมหาสตินี้ห น, น้าหน้าท่องหน้าสวดมากหมหาสตินี่เพราะมันเป็นแนวปฏิบัติอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยหมหาสติปัฏฐานนี่เราสวดพาสวดประจำแล้วก็ว่าซ้ซําๆเลยนะทําให้เราพลอยจําได้ง่ายขึ้นว่าซ้ําๆซ้ซําๆปุญญาพลังไม่ห่าง ปุญยะพลังไม่ห่างมันต้องมาโตกกันเนาะมันต้องหมาโตกกันแต่หนังสือมันไม่ได้แก้ไอ้พวกเราก็อ่านตามหนังสือเนี่ยมันกับปุญยญงพลังปุญญงพลังอยู่นี่แหละปุญยะพลังไม่ห่างแต่ท่านที่ท่นรนู้ภาษาหนังสือนี่ท่านว่ามันพิษ วันก่อนมีหมู่เขามาสชว์เราฟังอย่างนี้พิษมันพิษอันนี้มันพิษเน่ยปุญยังพลังไม่หั่งนี่เป็นปุญญะพลังไม่หั่งแล้วก็ประมุนจันตูนี่ที่ถูกก็คือประมุดจันตูจงพ้นจากทุกข์เนิดประมุดจันตูจงพ้นจากทุกข์เถิดประมุนจันตูเราก็เราก็ไม่เคยเปิดดูเขาบอกว่าหนังสือว่าปรมุนจันตูประมุนจันตูเนี่ยประมุนจันตูอีรีน่ะ ไอ้ที่เราสวดไอ้อิมินาเมื่อกี้เนี่ยประมุตจันตุเนี่ยแล้วเข้ามาวันนี้โชคดีฝนตกปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ฝนตกยังดีเลยต้นไม้เราคงจะดีใจต้นไม้มันแห้งมาหลายเดือนแล้วไม้น้อยไม้น้อยที่เพิ่งปลูกตอนปลายฝนเนี่ยฝนตกนี่ก็ชุ่มเย็นไปหลายวัน ปลูกป่าเลี้ยงป่าก็ลําบากกั น, กนตัใจปลูกเต็มไปหมดพอแรงมากๆตายชิ้งหมดปีหน้าปลูกไหม้ปีหน้าปลูกไมหกไม่แต่ถ้าจะว่ายากไหมก็ไม่ถึงกับยากหรอกขอให้เราได้ดูอะไรอย่างตอนอย่างไม้ก็จะขึ้นตรยที่ในพื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยเราปลูกขึ้นเต๊บหมดเลยนะไม้ แต่ในแปลงเดียวกันนะ่ะมันจะมีสับกันมีทั้งต้นใหญ่มีทั้งต้นเล็กมีทั้งต้นก่อนมีทั้งต้นหลังนะเพราะเราให้เขาทำหญ้าให้เขาแต่งหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยถ้าหลุมไหนต้นไหนมันตายให้ปลูกเสริมเข้าไปแซมเข้าไปอีกมีวิธีการดูแลรักษาป่าทำอยู่อย่างนี้มาต่อเ น, นื่องไมใ้ในป่าเราเหลือหมด เหลือหมดแน่นหมดนะไปเดินดูนี่นี้ทั้งนี้นานๆเข้าไปดูที่อู้ไม้เราตูได้ป่าไม้คืนมาได้ที่คืนมาเป็นที่ป่าสงวนทั้งนั้นแหละที่กําลังไปทํากําแพงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นทํากําแพงล้อมที่ให้ป่าสงวนอถือว่าเป็นสมบัติของชาติถ้าเอาไว้อย่างนั้นมันก็คนรุกอยู่เรื่อย <c oughs> เราทำกําแพงเสร็จมันก็ไม่รกปลูกต้นไม้ก็มีความจาเป็นให้ปุย๋ยอย่าว่าไม่จาเป็นถ้าเราให้ปุ๋ยมันสามปีพ่นมือไปเลยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกปลูกแล้วปลูกอีกแซมแล้วแซมอีกอนั่นแหลอะอมันไม่มีไม้ชนิดใดที่มันไม่ต้องการปุย๋ยไม่มีเหมือนคนต้องการอาหารนั่นแหละเราต้องการอาหารชีวิตเรามีอยู่ เป็นอยู่ได้ด้วยอาหารไม้มันก็ต้องการต้องการอากาศต้องการปุ๋ยต้องการแร่ธาตุจากดินมันต้องการความชุ่มชืนม้นต้องการน้ำไปช่วยละลายแร่ธาตุในดินมันจะได้ดูดกินขึ้นไปลอมันแห้งแห้งแ ห, งแหงมันดูดอะไรกินไม่ได้แห้งตายแต่แห้งตายแรง รูปเป็นสมบัติของชาติลูปเป็นสมบัติของบ้านของเมืองที่ไหนได้เราอาศัยป่าเขาเราต้องดูแลให้เขาเราแค่ต้องการที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญธรรมเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นเองวัดป่าของเราเราต้องการแค่นี้เองต้องการป่าสงบสงัดเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรม เพราะนี่คือเป้าประสงค์ของทุกคนที่เราเข้ามาคือบำเพ็ญสมณธรรมปริยัตินาสู่ปฏิบัติถ้าเรามีแต่ปรยิยัติเราไม่มีปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ทำเหตุผลที่ไหนมันจะเกิดมันเกิดไม่ได้เรียนรูพร้พระทฤษฎีหมดแต่เราไม่ทาอะไรเลยผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากทฤษฎีนั้นๆนนไม่มี เพราะขาดภาคปฏิบัติเราใช้คำว่านำสู่ภาคปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติมันเข้าได้กับงานทุกอย่างทุกเรื่องทั้งงานสมรถะทั้งงานวิปัสสนาทั้งงานศึกษาทั้งงานเล่าเรียนงานอาชีพทุกอย่างทุกเรื่องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ทาเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ทำ วิชาการบางอย่างเราไปเรียนรู้ทําไปพร้อมๆกันมันก็ทําได้บางอย่างง่ายบางอย่างสลับซับซ้อนตัอศึกษาต้องเรียนรู้มาพิสูจน์มาทดสอบมาทดลองมาวินิจฉัยวิจารณ์วิจัยใคร่ครวนอพอมาถึงขั้นนี้หมายความว่าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามที่เฉลี่ที่เฉลีบอกเอาไว้ เรารักษาศินศินสมาธิปัญญาเราก็เอามาทดสอบได้เดี๋ยวนี้เราเดือดร้อนอะไรเราย้อนมาดูที่ตัวเราย้อนมาดูที่ตัวเราเราเดือดร้อนอะไรผิดศินหรือว่าสิลเราสมบูรณ์แล้วแต่ว่าโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียน<ๆ>เราก็พอจะแยกแยกออกได้อืม บางทีเราไม่ได้เจ็บไข้ใดป่วยแต่ว่าเรามีความทุกข์จนตรวจตราให้ดีเราอาจจะบินสีนข้อใดข้อหนึ่งกันได้พ<ม>าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาบแค่สหน า, <ม>พาพูดเท<ม>็จพูดยาพูดส่อเสียดปากร้ายกาดนำความทุกข์นำทุกข์นำโทษมาให้ และสิ่งสำคัญที่สุดก็กินน้ำที่กินลงไปแล้วทำให้สติละหมดนี่เมื่อวานเราพึ่งสา ม, มวานเนี่ยรถยนต์ปัม๊มมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ น, นี่ เ, ยเลยเอบต่อไปซะหน่อยน่งสีง่สบพร้อมๆกันเลยเมื่อวานเน่ตอนหัวคข้ามเกือบหนึ่งทุ่มไอเกียร์ลอยเราฟัง สีส่ศพก็คือพ่อกับแม่และก็ลูกอีกสองคนอายุประมาณหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยเป็นคนบ้านบ้านเรานี่เอเป็นคนบ้านโนนจำราญเนี่ยโอ้พึบเดียวพึบเดียวไปเลยสีส่ศพรถที่ไปชนเป็นรถยนต์ออกจากหนอง อ, อ้อเพื่อที่จะไปหนองแสงบ้านหนองแสงคนหนองอ้อไปมีเมียอยู่หนองแสง เมาขับมาผ่านด่านก็เฮลโลยกมือใส่ด่านนะไอเกียดไอเกียดพูดตามไอเกียดอย่างเราก็สนุกเขาอ่ะไอพวกนี้ก็ดูตามโอ้ o, จะถึงบ้านมันนาะถึงบ้านมันเนาะพอไปบานผ่านด่านอีกด่านหนึ่งเพรียงบันมืดเลยเนี่เกือบหนึ่งทุม่มมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่ได้ระวังอะไรเลยคนเมา เพียงเดียวหมดคาที่เลยนะได้ยินเหมือนันนะแหลกละเอียดหมดต้นใ่ทั้งพุ่งทะลักออกมาโอ้เราฟังเราสลดสลดใจกับชีวิตชีวิตน้อยนิดชีวิตเหมือนหมอดดินถูกกระทบอะไรนิดหน่อยก็แตกป๊อกระทบอะไรนิดหน่อยก็แตกป๊ เราคิดถึงเรื่องชีวิตให้มากเราจะได้สำรวมระวังเขาเรียกว่าสำรวมในสัตว์สำรวมในสัตว์วตว <c oughs> ถ้าเราไม่คิดให้มากเราจะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นแต่เราถ้าเาตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังเทียบชีวิต เขามาที่ชีวิตเราเทียบชีวิตเราไปที่ชีวิตเขาแต่และชีวิตก็มีความหมายไม่มีใครต้องการความทุกข์ยากความลาบากไม่มีใครต้องการความโหดร้ายทารุณไม่มีมีไม่ไม่มีใครต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีต้องการความสุขความเจริญทั้งนั้นเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ คนทั้งหลายที่ชอบเบียดเบียนกันถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เมือ mm hmm. งจะทําให้เรารู้จักสารวงระหวังในสัตว์บ้างระวังในชีวิตของสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์อะไรก็แล้วแต่จิตใจของเรามันจะไม่แข็งกระด้างจิตใจของเรามันจะอ่อนน้อม mm hmm. ไหนจิตใจอ่อนน้อมเป็นคนใจ อ, อ่อนหรือเปล่าเป็นคนใจ อ, อ่อนหรือเปล่าไม่ใช่คนละอย่างคนละเรื่อง mm hmm. ในเมื่อเรามีความอ่ามีอดตปะมีความเครงกลัวต่อผลกรรมที่จะพึเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราสังวรระวังเรื่องบางนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรามันใจอ่อนที่ไหนมันไม่ใช่ใจอ่อนมันเป็นใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาเหมือนอย่างเรื่องที่ว่ารถมาเมื่อกี้มาเป็นก็มาเป็นช่วงนี้อช่วงเจ็ดวันอันตรายโต้ บอกนักบอกนะหนาเมาอย่าขับเมาย่าขับเมาอย่าขับท้าทายอยู่นั้วแหละเปลี่ยงเดียวซีสกคนรุ่นรุ่นอะไรขนาดมีลูกบกขวบหขวบเจ็ดขวบแล้วก็เป็นลูกแฝดเลยนะ <c oughs> เป็นลูกแฝดซะด้วยเปรี่ยงเดียวไปได้วยกันหมดเลยคือในครอบครัวนั้นหมดเลย ไม่มีใครละไม่มีใครอยู่รับมรดกละเพียงเดียวไปหมดเลยยังไม่ได้เผาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เผาเราพิจารณาแล้วมันเกิดสนดกใจโอ้ผมก็เห็นใจกับคนที่ไม่สารวมในการดื่มน้ำเมา กับไม่สํารันในสัตว์ไปพร้อมๆกันมันก็กรรมกรรมของรถยนต์มันก็กรรมของมอเตอร์ไซค์แหละมันมาไปจวบกันนึงเราพูดถึงกรรมเราไม่ต้องไปมองหรอกการทที่เรามองไม่เห็นเรามองถึงกรรมคือกิริยาของเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นะนะั่นใช่ไหมพอมันเผลอปั๊บมันเลี่วหันไปหากันอพอไปถึงก็เปี้ยง เราดูกรรมสดๆร้อนๆที่เราเห็นนี่เราไม่ต้องไปดูว่า <c oughs> พวกนี้เคยทำกรรมอะไรแก่ใครอืมทำไมต้องมาสนองกันอะไรต่ออะไรเราไม่ต้องไปมองเราไม่มียาณวิถีเหมือนรุ่งทีเจ้าเราดูกรรมใหม่ๆนี่แหละมันจะทำให้เราปรงกรบมสโกมีกรรมดาหยาโดลกรรมโยนิแต่อันนี้มันพันไ ป, ไปถึงเรื่องกรรมเก่าๆด้วยกรรมาบันทุกกรร ม, มปฏิสารนา จะพูดเรื่องกรรมทั้งหลายทงปวงเรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมเรามาดูพฤติกรรมของเรามันมีพฤติกรรมในบ้างที่ไม่มีไม่เกี่ยวกับกรรมไม่มีกรรมคือการกระทาการกระทาก็คือกิริยาที่เกิดที่กายที่เกิดที่วาจาที่เกิดที่ใจคือกิริยาของใจ กิริยาที่แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปนั่นแหละคือกรรมกิริยาที่ทํากรรมบางอย่างให้ให้โทษกรรมบางอย่างไม่ให้โทษ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านทรงเลือกเอาวันที่ชัดๆขึ้นมาข่าสัตรูนี่เป็นโทษแน่เลยพูดคุยเล่นหัวสนุกอะไรอะไรนี่ไม่เป็นโทษแต่ถ้าด่ากันแล้วกับเจ็บแสบแฝงหัวใจเขาเนี่ยนี่มีโทษ เล่นนู้นเล่นนี้เล่นอะไรแต่ไรสรพัดไม่เกี่ยวกับชีวิตเขาเนี่ยแต่บางครั้งมันเป็นเหตุไม่ได้มีเจตนาแบบเรื่องกอมีกับบางอย่างถ้าเกิดกรรมเก่ามันมาให้ผลเนี่ยกรรมไม่เจตนามันก็ให้ผลกรรมที่เจตนามันก็ให้ผลกรรมที่ไม่เจตนามันก็ให้ผลแบบไม่เจตนานนเนหละเหมือนอย่างที่เคยลราฟังน่ะ กรรมที่เจตนานก็ให้ผลด้วยเจตนาใครล่วงกรรมนั้นไปแล้วลบที่ไหนที่จะไม่ให้กรรมมันสนองไม่มีมันก็ไปตามเจ้าของเจ้าของกรรมคืออะไรใจใจของใครของเรานั่นแหละคือเจ้าของกรรมมันเกิดมันเกิดจากเจตนาของใครเจตจํานงของใครมันเกิดจะวกไปหาคนนั้นแหละอเราสร้างกรรมอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย กรรมที่จะคอยตามให้ผลเราจะหลบไปอยู่ใต้ท้องฟ้าต้องท้งทะเลมันก็หลบไม่ได้กรรมมันตามเห็นหมดทำไมมันถึงทไมมันถึงรู้จักทำไมมันถึงไปสนองกรรมได้หลบอยู่ที่ไหนก็ตามมันหาเจอหมดมันก็ไปตามเจ้าของที่ทำกรรมเลยลกิริยกรรมมันดำริออกจากตรงไหนมันก็มาไปหาต้นต่อของมันตรงนั้นหละใจใครคิดใครทากรรมมันก็ไปเล่นงานตรงนั้นหละ Mm hmm. มันก็ไปไปตรงนั้นแหละกำบางอย่างให้ผลมาที่กายกำบางอย่างให้ผลไปที่ใจแต่ทั้งสองอย่างมันก็ถึงใจงั้งนนเลยให้ผลมาที่กายใจร่างกายวิคนวิการเนี่ยมันก็เจ็บใจ แ, แค่เราแค่เรามีลูก <c oughs> ที่ไม่สบายเนียเป็นลูกที่เป็นโรคโพลิโปเอรเป็นออทิสติกเอร์เป็นอะไรอะไรเออร์ทุกข์ไหมทุกมากดูลกแลโอ้ดูแลกว่าจะโตดูลแลกว่าจะหมดชีวิตเขาดูลแลกว่าหมดชีวิตเรานี่คื อ, ค อ, คอทุกมากอันนี้ก็คือกรรมมันให้ผลทางอ้อมกรรมมันให้ผลทางอ้อมคือกรรมร่วม กรรมพันธ์กรรมพันธ์คือกรรมร่วมกรรมพันธ์คือกรรมร่วมมันหากเป็นเหตุให้ต้งต้องได้ประสบพบเห็นอยู่อย่างนั้นแหละนี่เราต้องสำารวมน้อฟังเพราะยังแค่สีลห้าระวัตตั้งใจอดตั้งใจทนประพฤติตามที่ท่านบอกท่านสอนเอาไว้มีความสุขมากตั้งใจทำให้ได้รับความบริสุข์ไปตั้งใจภาวนาใจก็สงบนะ เพราะว่ามันไม่ผิดศีลถ้าผิดศีลแล้วมันเดือดร้อนไปนั่งแล้วก็การผิดศีลนั่นแหละมันไปกวนละก ว, วนใจตัวเองด้วยเหตุที่เราผิดศีลมันไปกวนเพราะฉะนั้นเราเึงว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราเราต้องระวังความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นสํารวจตรวจตราดูซะก่อนเป็นเหตุทุจากอะไร เป็เหตุจากนู้นจากนู้นโอ้พิสินข้อนู้นโอ้พิสินข้อนู้นโอ้พิสินธข้อนู้นเราจะได้เข็ดได้หลับไม่งั้นเราไม่เข็ดไม่หลับคนเราได้วยเหตุที่ชอบท้าทายไม่เข็ดไม่หลับนี่เองทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเรามาถึงเจอเวลามันเจอมันไม่เจอไข่มันก็เจอเราเนาเดแหละทําไมต้องเป็นเราเด้อแหละไอตอนดื้อด้านฟื้นธรรมน่ะอืม ดื้อด้านดื้อได้ทําได้ด้านได้คา ม, มันก็ไปตรงนั้นแหละเนี่ยฝืนสินฝื้นธรรมรับพิสูจน์กันแค่นี้แล้วเราก็นําสู่การปฏิบัติแล้วก็พอจะเห็นผลโอ้ผลจากสิลเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้อสินเขาว่าปกติทานว่าปกติปกติเมื่อก่อนเราคิดไม่ออกอ่าสินปกติคืออะไรศีละ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็แปลว่าปกติปกติกตอตอนหลังนี่เราเข้าใจว่าคําว่าศีละแปล ว, ว่าปกติหมายความว่าศีลทําทให้กายกรรมของเราไวาจีของเราเป็นไปตามปกติเรารักษาศีลได้ทาให้กายกรรมของเราปกติทําให้ว่าจีกรรมของเราเป็นไปตามปกติ เสีงแปลว่าปกติปกติเพราะคนเราอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมกรรมก็มีแค่สามอย่างแค่นั้นเองกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมีน้อยนิดเดียวแค่สามอย่างกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดนี้สํารวมมาที่จิตสํารวมมาที่ใจปิดประตูปิดช่องทั้งหมด แต่ถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีข้อปฏิบัติเพื่อให้เราได้ระมัดระวังเรื่องกิริยากายกิริยาวาจากิริยากายกิริยาวาจาโดยเหตุที่ใจเรามีกิเลสเนี่ย <c oughs> ความนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิจาริษยาปยาบาทมันต้องมีแต่นึกคิดเฉยๆมันไม่ผิดศีล น, นะไม่ผิดศีล ต่อเมื่อเรานึกคิดแล้วมันพราะเพียงกับกายกลายเป็นกายกรรมนึกคิดแล้วมันพราะเพียงกับวาจาไปพูดคําไม่ดีเป็นวัจจิกกรรมอไปทําดีก็ตามไปทําไม่ดีก็ตามกลายเป็นกายกรรมกลายเป็นวัจจิกกรรมเพราะฉะนั้นทํานจึงให้มีการรักษาศีลตั้งใจรักษาได้ตามนั้นเลยมันเป็นการอุดรูอุดช่อง ที่มันคอยจะรั่วทะลั ก, กออกมาทับทุ่มกายของเราทับท่วมอาญญาณของเราเราพิสูจน์นำสู่การปฏิบัติเราจะเห็นผลของการตั้งใจ ร, รักษาศิลมีความสุขกายมีความสบายใจเป็นผู้ที่ไม่มีใครเบียดเบีย น, เ ป, นเป็นผู้ที่มีโรคน้อยคนที่มีศินมีธรรมเป็น น, นั้นแต่มันน้อยนะคนเราที่จะไม่มีโรคภข้ไข้เจ็บ รว่าร่างกายของเรามันเป็นรังโรคมันเป็นรังของโรคไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแต่คนที่เขาไม่มีวิบากกรรมเนี่ยเขามีความเจ็บไข้ใดป่วยปวดหัวตัวร้อนอะไรนี้ๆหน่อยๆไม่เป็นโรคที่หนักหนาสาหัสตรงโรมหมอนนอนเสือกันเป็นครึ่งข่อนของชีวิตถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็โอ้ทุกทรมานตัวเองก็ทุกทรมานคนเกี่ยวข้องก็ทุกทรมาน มันมีประโยชน์สำหรับคนไปดูแลเพื่อเอาบุญ น, นะ ต, ตัวเองก็ทรมานพอแล้วคนที่ไปดูเกี่ยวข้าตั้งอกตั้งใจดูดิดีโอ้ได้บุญมันเป็นการช่วยเหลือกันเหมือนอย่างพวกคุณหมอมพวกพยาบาลพวกอะไรที่ดูแลอยู่ตามโรงพยาบาลคนที่ตั้งอกตั้งใจทําเพื่อความบริสุทธิ์ของอาชีพนี้จริงๆมีอยู่เขามีความสุขใจกับงานที่เขกทํา เพราะมันเป็นงานระดับใจถึงใจสุขถึงสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาศีลเพื่อที่จะมากำกับกิเลสหยับยากที่มันทะลักทะลวงออกมาที่กายทับถมกายเอากายไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมรวมไปถึงดื่มสุราด้วยก็ได้ดื่มสุรามีไรใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันทำมันทําลายประสาทสมองทําให้สมองมึนงงเมา เมาสุราเมรัยสุราสุรากลั่นน้ำเมาที่ถูกกลั่นเมรัยก็คือน้ำดองน้ำดองอะไรก็ตามดองไปแล้วเมากินไปแล้วเมาโสดซัดโสเสนีน่ะสุราทั้งนั้นเพราะเวลามันเมาแบบนั้นแล้วมันเสียสติ คนเราพอจะเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะว่ามีสติถ้าเราไม่มีสตินี่ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยเมื่อกี้ขณะเราไปนั่งคอยเวลาที่ฝ่ายเนคามะเขาจะพร้อมมีคนไม่ค่อยจะสมประกอบทางด้านสติกุ้ยไปเจราจาเรารู้ไปเบื่อเบ่ว่างแต่ทีแรกเรารู้แนละ้วคนพวก น, นี้เราต่อก่อนไม่ได้ ถ้าเกินเราหลบได้เราก็หลบโดยเหตุที่เราไม่เคยรู้จักเขาเราก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดแรงกลัวเขาจะโหดร้ายเล่นงานตะลวงไม่เป็นไรนะมีคนเขารู้จักเข้าไปเขาดึงออกไปไปไปไปเออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกโอ้ใช่เลยเลยใช่เลยนั่นถ้ารู้ก็มีไหมพูดรู้กามีไหม ผู้รู้เขามีท่ารู้เขามีแต่เขาขาดคุณสมบัติที่ปลุกให้ตื่นคือสติคือสัมผชัญญาสติสัมผััญญาเป็นคุณสมบัติของจิตที่จะปลุกจิตให้ตื่นตัวนี้แหละเป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมเป็นคุณสมบัติชั้นเลิศคนเราทุกคนนั้นจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่เท่ากันจะมีคุณสมบัติไม่เท่ากันจะมีความสามารถอย่าง ทางด้านประสาทมันสมองไม่เท่ากันอย่างที่เราพูดบางคนโง่บางคนฉลาดมันเป็นไปไปจากบุญกรรมของไข่ของเราบางคนฉลาดเลข้อหนึ่งข้อสองข้อเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่คิดยังไม่ออกเลยว่าไหนตั้งเป็นบวกไรนตั้งเป็นลบยังคิดไม่ออกอันนัเสร็จแล้วเห็นไ้มคิดมันรวดเร็วว่ากันคุณสมบัติเหล่านี้ ต้องฝึกฝนอบรมมาทั้งนั้นแหละอะพูดจะมีความรู้มากเรียนง่ายได้ง่ายบุญเขาดีเขาดีเรียนง่ายเขาได้ง่ายอบางคนเรียนปวดหวจะเป็นจะตายปวจะได้เละบุญเร า, าน้อยการสั่งสมอบรมเรามันน้อยอย่าลืมว่ากรรมทุกอย่างมันตล่อมมาและมันทํางานประสานกันอื เราไปเยอรมันเขาถามเราไปเยอรมันเขาถามจิตเป็นผู้คิดทำนั้นทำนี้ทำนี้ทำนั้นแต่ว่าเวลาผลผลกรรมตอบสนองมาทำไมมันตอบสนองที่กายเขาว่าไนะ <c oughs> อ, อจิตเป็นผู้นึกเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงเพื่อจะทำนั้นทำนั้นทำนั้น แต่เวลามันตอบสนองมามันตอบสนองมาที่กายทำให้กายวิกลวิการอ อ, อะไรตอะไรเออเนี่ยหรือถูกเขามาเล่นงานที่กายเนี่ยจนี่เคยฆ่าเขาเนี่ยเขาก็มาเล่นงานเราเราก็เลยตอบ้่าอ๋อก็กายมันเป็นผลิตผลของใจกายมันเป็นผลิตผลของจิตกายมันเป็นคุณสมบัติของจิตและมันมีกรรมสืบเนื่องต่อกัน มันไม่ให้ผลที่กายมันก็มาให้มันไม่ให้ผลที่จิตมันก็ให้ผลที่กายแท้ที่จริงให้ผลที่กายมันก็กระทบไปถึงจิตตละเพราะจิตของเจ้าของร่างนั้นมันจะเกี่ยวมันจะพันกันไปหมดเรื่องของกรรมชินห้าเขาก็ถามชินข้อห้าเขบอกว่าน้ําเมาเนี่ยที่ท่านบัญญัติว่ามันผิดมันผิดเพราะอะไร มันผิดเพราะปริมาณหรือมันผิดเพราะวัตถุหนุก็เขาถามนะเพราะเราแทบคิดไม่ออกเลยแหละน้ำเมาเนี่ยที่พระพุทเจ้าท่านบอกว่าผิดศีลผิดศีลมันผิดเพราะปริมาณกินมากหรือว่าผิดเพราะวัตถเุเราก็ไม่รู้จะตอบไงเราก็ตอบว่าโอ้ปริมาณมากปริมาณน้อย ปริมาณมากมันก็ไปจากปริมาณน้อยนึกเมื่อกินน้อยได้มันก็กินมากได้ไอ้ไกินมากๆ ม, มันก็ไปจากกินน้อยๆนี่แหละไม่รู้จะตอบอยังไงแม่ถามอย่างไม่รู้จะตอบยังไงกินพอตึงๆไม่ให้เมาผิดไหมแนะน่มีข้อต่อรองอีกนะมีข้อต่อรองอีกกินพอ ตึงๆไม่มันเมาเนี่ยเป็นกระได้ไหมเออมันก็เข้าลักษณะเลยมันกินน้อยมากมันกินมากได้มันกินน้อยได้มันก็กินมากได้เพราะมันกินมากมันก็ไปอยากกินน้อยนี่แหละ <c oughs> โอ้คนมาตั้งแง่งอนเพื่อที่จะต่อรองกับพระพุทธเจา้ามี่ทุกข้อเลยแหละข้อหนึ่งข้อสองเชอย่างข้อหนึ่งเนี่ยข้าสัตว์เนี่ย <c oughs> เขาก็มาตั้งประเด็นว่าเอ้า ถ้าห้ามฆ่าสัตว์ทำไมต้องบริโภคเนื้อสัตว์นะนี่คือเขาเขาตามไม่ทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านดูสลบปปรุบค์ดูขาดหมดแล้วแต่เขาตามท่านไม่ทันมไม่ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทำไมบริโภคเนื้อสัตว์การฆ่ากับารบริโภคมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนบางคนมันฆ่าด้วยมันบริโภคด้วยแต่เราไม่ฆ่าแต่เราบริโภค แต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกต้อง mm hmm. ไม่บอกให้เขาฆ่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยเพ mm hmm. ราะฉั้พุทธเจ้าท่านจึงไม่บัญญัติที่เทวทัตมาขอเนี่ยพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติบพระสงฆ์นี่ยเขาบอกว่าถ้าห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์มันก็จะเป็นการทุเลาการฆ่าเพรางั้นนะถ้าไม่ให้กินเนื้อสัตว์มันจะทุเลาการฆ่า โอ้ก oh, ็บางคนมันค่าเป็นอาชีพอยู่นั่นเองมันจะไปทเราได้ไงมันไม่ใช่ค่ากินเฉพาะส่วนตัวที่ไหนค่าเพื่อค้าขายอย่างเนี้ยอืมไอเราไม่ได้ค่าที่เราบริโภคนะเราไม่จะเป็นต้องค่ายิ่งเรามีศีลบิดธรรมนี่แล้วเราไปรับทานอาหารเนื้อเขาเขาแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญให้กับเจ้าของเขาอีกด้วยซ้ําไป เหมือนอย่างที่เรื่องที่เคยเค ย, เคยเกิดขึ้นที่บันตานี่นะว่ามีหมูเขายิงหมูได้มันก็ไปไปปรากฏในนิมิตของของนม่ชีหรืออะไรหรือว่าให้ช่วยบริโภคด้วยให้ช่วยบริโภคและอุทิศส่วนบุญให้ด้วยนี่คือดวงวิญญาณเขาเขาไปตึกไปบอกเราอะให้ช่วยบริโภคเนื้อเขาแล้วก็ให้แผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยเ<ม>นี่ยเห็น ไ, ไหม มันมีนะอันนี้มันปรากฏในหัวใจของของนักปฏิบัติท่านสามารถสัมผัสวิญญาณในละเอียดได้ออว่าศักตัวนั้นครับถูกฆ่าก็บอกช่วยบริโภคเนื้อให้เขาแล้วพิดผู้ที่ส่วนบุญในเขาด้วยเอ๊ะเราดูสิมันคนละอย่างนะมันคนละอย่างคนละเรื่องผู้ฆ่ากับผู้บริโภคมันตัดขาดเนื้อหินขาดได้เลยออแต่เขาคิดไม่ทันผู้ที่เจ้า พุทธเจ้าท่านบอกว่ามอเวลาบริโภคท่านจะให้พิจารณาอยู่แล้วพิจารณาเป็นธาตุศักดที่ว่าเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟท่านก็พิจารณาเข้าไปดินน้ําลมไฟมันเข้าไปทดแทนในร่างกายของเราจะได้พิจารณาเนี้่ยเราไม่จําเป็นต้องเราไม่จำเราไม่ฆ่าเขามาทําบุญทําไปแล้วเขาก็ได้บุญถ้าเรามีเมตตาในใจ มีเมตตาจิตเราก็ทิศส่วนบุญให้กับเจ้าของเนื้อนี่สิเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อช้างเออเนื้อวายเนื้อบัวปลาเนื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็พิจารณาให้เข้าไปอ๋อมีผู้มีศรัทธาก็ทําบุญมาของที่ส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้าของร่างอันนี้ด้วยถ้าเขามีทุกข์ขอให้เขาพนทุกข์ถ้าเขามีสุขแล้วขอให ประสบความสุขยิ่งยงขึ้นไปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเผื่อแผ่ช่วยกันอยู่แล้วเนี่ยพระุทธเจ้าท่านคิดกับพวกเราพระุทธเจ้าท่านท่านเห็นด้วยตรัสรู้ไอ้พวกเราคิดรู้เฉยๆพระองค์ได้โดยตรัสรู้แต่พวกเราคิดรู้เฉยๆเสร็จแล้วก็เอาความคิดรู้นี่แหละไปอวดอวดเก่งกับพระองค์ยกตอะไรขึ้นมาพระองค์เห็นหมด อ่าอะไรขึ้นมาพระองค์รู้อยู่ว่าจะพูดอะไรจะทําอะไรแสดงกิริยาอะไรออกมารู้หมดว่าจะทําอะไรจะทําอะไรเห็นปวดเห็นลุเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นทะลุกรูโปรหมดพยายามมาต่อรองโอ้ถ้าสงบระงับการบริโภคเนื้อสัตว์อยู่บ้างการฆ่าก็คงจะเปล่าเลลงแล้วมนุษย์ทั้งโลกจะไปบอกได้เลยบอกไม่ได้ดอกพระเจ้าท่านตรัสรู้ธทม แท้ท่านมาบัตในอินเดียท่านขนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนคนคนมนุษย์ยขนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนได้เฉพาะที่เคยเป็นบริษัทบริวารเคยเกี่ยวข้องกับพระคมาเท่านั้นคนนอกนั้นเคยมิจฉาทิฏฐิงไงมันก็มิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้อะไรดอกเนี่ยเห็น ไ, ไหมอย่าลืมมาบุญกรรมบุญกรรมมันเกี่ยวข้องมันปลูกพันธุ์ ภพชาติของเราไม่ใช่มีภพชาติเดียวมีกี่กับกันกี่ปุเรชาติมาแล้วมันส่งผลต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมามันจะมีอะไรเท่าเดิมจะมีอะไรเหมือนเดิมไม่มีเมกิอตายเกิดตายเกิดตายก็จริงอยู่เกิดเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมสุขมันไม่เหมือนเดิมทุกมันไม่เหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมที่ทําทําเรื่องของความดีเป็นเรื่องของบุญก็เอาผลคือความสุขความเจริญมาแต่ทําให้ดีเอาทุกข์เอาโทษมาให้ท่านจึงให้สับรูบรณระมัดระวังมากนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงนําสู่การปฏิบัติใช่ไหมแค่เรื่องสินค้านี้ถ้าเราไขาครวนไตร่ตรองแล้วก็นําไปวิจารณ์วิจัยก็จะทําให้เกิดผลปรากฏในหัวใจของเราจะทําให้เรารู้จักเข็ดจักหลาบ ผิดจริงผิดธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนภาวนาภาวนาสมถะภาวนาทรรมใจได้รับความสงบเราศึกษารู้แจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนแต่ต้องนำสุขการปฏิบัตินำสุขการปฏิบัติก็คือไปตั้งใจทาจริงท่านบอกให้ภาวนาพุโทธโทธพุทโธพุทโธ เราไม่รู้เราไม่เข้าใจจิตเรายังไม่เคยสงบเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทําตามมัดอยู่นั่นแหละให้ใจมันสงบอืมเพราะองค์ที่ท่านสงบสงบมานั้นน่ะทัก็งงสงบได้ด้วยการทั้ง อ, อกตั้งใจทําไม่ให้จิตมันเล็ดลอดไปคิดไปพูดไปไม่ไปคิดไปปรุงเรื่องอื่นให้มันนึกอยู่กับเรื่องเดียวผู้รู้ของเราในเมื่อเราเปิดช่องเดียว เราเปิดช่องเดียวมีสติมีสัมปชัญญะกำกับอยู่มันก็มีช่องเดียวเปิดสลับทำช่องเดียวมันก็กำกับช่องเดียวแต่ต้องหมายว่าทำจนชินถ้าเราทำยังไม่ชินคือมันไม่เชื่อมพุทโธพุทโธพุทโธสนอยมัสวมรอยเข้ามาแล้วพุทโธพุทโธสนอยสวมรอยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นสติเราจะต้องเต็มร้อยกำหนดจดจอ่อเต็มร้อยมีเท่าไรเอามาใช้หมดสติเต็มร้อยเกินร้อย สติสัมปชัญญะมักกำหนดจดจอ่อวิทยาอุตสา ح, หความปดความทนอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดมกำกับเข้ามาทำเข้ามาทําจนจิตอุจจุเอาสตินี่แหละมากํากับกําหนดอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธปิดกิริยาการปรุงอย่างอื่นของจิตตั้นหามันไปสวมรอยเพื่อจะปรุงต่ออีกไม่ได้ <c oughs> ด้วยเหตุที่เรามีเครื่องมืออันนี้เราจรึงมีการบรรลุธรรมได้สติสัมปชัญญะฮิริโอตปาสติสัมปชัญญะวิริยะอุตสาหะความอดความทนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหม้เครื่องมือตะล่อมเข้ามาเมื่อเวลาเราประกอบความภาคความเพียรมัดอยู่นั่นแหละอบรมจิตให้อยู่กับอารมณ์นั่นแหละให้มันอยู่อยู่ให้มันอยู่กับ อารมณ์หล่านะั้นอารมณ์หนึ่งเดียวนะี่ยด้วยเหตุที่เรามีสติกำกับจดจอทำบ่อยครั้งทำเรื่อยๆทำเนืองๆมันก็จะเริ่มมีพื้นมีฐานมันจะเริ่ ม, ม, มไวไวต่อความรู้สึกยับมันจะดึงออกแล้วเออทันยับมันจะดึงออกแล้วเออทันบางทียับดึงไปออกสักส ก, กว่าสักสองสาวันเออรู้ทันก็ดึงกลับเข้ามาแยับไปสี่ห้าวันโอ้รู้ทันก็ดึงกลับเข้ามายับ เหลือน้อยลงเหลือน้อลงสองวันหนึ่งวัเหลือหนึ่งสองแยบทันดับแยกทันดับอันนี้หมายความว่าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมคุณสมบัติเหล่านี้ต้องมีในเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วหมายความว่าเราสร้างเหตุผลจะต้องมีตามมาไม่ต้องการมันก็ได้เพรเราทั้งอกตั้งใจทําเหตุอย่างไรผลก็ย่อมจะได้ตามตามข้อปฏิบัติของเรานั่นแหละ แต่ต้องการเฉยๆไม่ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุมันไม่มีเหตุความไม่มีเหตุแต่ไหนแต่ายมาย่อมไม่ปรากฏผลความมีผลปรากฏตั้งแต่ไหนแต่ไรมาย่อ ม, ม, ม, ไ, ไ, มไม่ประจักษ์เหตุถ้าเราพิจรารณาให้มากแล้วเราจะสรุปธรรมะของพระพุทธเจ้า แปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์รวมลงในเหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุกับผลจริงๆเหตุหนึ่งดูดูสมุทยัยเหตุหนึ่งปรุงแต่ขึ้นมาให้เกิดทุกข์สร้างขึ้นมาให้เกิดทุกข์เหตุหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อดับทุกข์แน่ใช่หไหมเราดูไปที่อริยสัจสี่มันมีเหตุกับผล สมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนะ่นมีเหตุกับผลเท่านั้นพระสารีบุตรท่านฉลาดมากพระสิจิท่านพูดแค่เรื่องแง่เหตุกับผลเท่านั้นให้ฟังแค่นี้ได้พรทธธรรมเป็นพระโสดาบันจิตเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลจแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยญาณศาสนักระมรรคละไอ้พระสารีบุตร ไปเล่าเรื่องอันนี้ให้พระมกขลานะฟังอันนั้นก็ไว้อีกเหมือนกันได้โดนตายยันทำอีกเหมือนกันเหตุกับผลแค่นั้นเองเยทํามมาเหตุตัวปะพัวแค่นั้นเองพระมหาสมณะตั้งตรัสอย่างนี้ตรัสแต่เรื่องเหตุจึงได้เกิดจากเหตุทีนั้นจะดับก็ดับเพราะเหตุดับเกิดขึ้นจากเหตุเพราะเราเพราะฉะนั้นเราเราใช้เงื่อนของการพิจารณาเราจักเหตุ แล้วก็ย้อนไปถึงผลมันแล้วจับผลแล้วก็ย้อนไปหาเหตุมันจับผลแล้วก็ย้อนไปหาเหตุจับเหตุแล้วก็ย้อนไปหาผลจับแค่นี้แหละนี่เข้าหลักเข้าหลักอริยสัจเลยเข้าหลักอริยสัจเลยไม่ต้องไปงงผิดทางพาไปซี่นู่นพาไปชี่นี่พาหลงทางนึกคิดปรุง นิมิต ท, ที่นู่นที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้รออยู่ร่ำไปไม่จบเพราะมองไม่เห็นเหตุเห็นผลถ้าเรามองเห็นเหตุเห็นผลนะลสิ่งนั้นก็ดับมันดับไปหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้ น, ม, นมันก็เกิดขึ้นด้วยเหตุเรารู้ทันเหตุเรารู้ทันรู้ทันเหตุแล้วก็ดับเหตุหมดผลจะปรากฏก็ไม่ได้สิ่งใดเกิดแต่เหตุที่นั้นจะดับก็ดับเพราะความทุกข์คือร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเรา มันจะไม่มีภพไม่มีชาติที่จะเกิดขึ้นอีกนะมันจะต้องดับเหตุเพราะกายเราเกิดมาจากเหตุจิตใ จ, จเราเกิดมาจากเหตุหมายความว่าจิตใ จ, จที่เต็มแพร่ไปด้วยกิเลสหนาวิชาในหัวใจของเรามันเต็มแปร่ไปด้วยกิเลสโดยเหตุที่มันเต็มแพร่ไปด้วยกิเลสนั่นแหละมันมีเหตุมีปัจจัยพุ่งต่งมาผลมันก็เลยปรากฏขึ้น เรามาดูแต่ภพภูมิของเรานะ่ยบางทีเราเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นี่มีขันหน้าแล้วก็พูดถึงภพอีกท่านบอกว่าภพหนึ่งมีแต่รูปไม่มีนามอีกภพหนึ่งมีแต่นามไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิรญยาสรุปมาแล้วภพเราก็มีแค่นี้เองปัญจโคการมนุษย์ ม, มีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณจะนั่งจะยืนจะเดินแล้วก็อันนี้มากรออรูปประคันของเรานยจิตมันกรอว่ารูปประคันของเรากับไอ้ผูดดำดําบีว่ารูปประคันของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมแค่นี้เราก็พอจะแยกได้แล้วอ้าวมันไม่ใช่อันเดียวกัน โอกายเราเนี่ยพูทธํารมดว่ากายเราเนี่ยเป็นโลกคนเดียวกันไหมพูดธํารมดิเยเป็นเป็นเรื่องของนามผู้รู้เวทนาเวทนามันมีทั้งทั้งเวทนากายมันมีทั้งเวทนาใจเวทนาใจของผู้ที่ยังคล่องอยู่ในคันห้านั่นเวทนาใจเวทนากายก็คือกายสุขกายทุกข์กายเฉยเฉยทั้งหมดทั้งเวทนา เราก็มาเกาะนี้แหละเกาะกายเกาะเวทนาเนี่แหละอเวทนาใจเวทนาใจก็ยินดีหินร้ายยินดียินร้า ย, ย, ย, ายคือความไม่พอดีของจิตมันเป็นเกณฑ์การกระทบของอยายตนะข้างในข้างนอกมันกระทบกันไปแล้วเกิดเกณฑ์แบบนี้แต่มันมีตัวหนึ่งที่เด่นชัด ที่จะทาให้เรากำหนดจุดจ้องจอมาที่กายของเราที่จิตของเรานั่นแหละคือตัวสติคือตัวปัญญาสติสมาธิปัญญาตัวนี้แหละสังสมอบรมได้ด้วยเหตุที่เรามีเครื่องมือชั้นเยี่ยมเราจึงโอ้ถ้าเผื่อพูดถึงว่านักทำงา น, นสบายโอ้เรามีเครื่องมือชั้นเยี่ยมมีเครื่องมือชั้นเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเรา เราสงบระงับได้ถ้าจะให้มีสติกํากับเมื่อมีสติโรกําหนังจุดจ่ออยู่ตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้าเห็นรูปมัุขสักต่ว่าเห็นความยินดีไม่เกิดกินร้ายไม่เกิดยินดีเกิดปั๊บเราะรู้ทันรู้ทันปั๊บมัก็ดับยินร้ายเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊มันก็ดับเพราะขณะของจิตมันเกิดขึ้นได้ทีละขณะ ยกแยกอันใหม่เนี่ยมันเป็นมันแทนอันเก่าแล้วนะแยกอันใหม่มันแทนอันเก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันจะให้ใช้คำว่าดําใช้คําคำดบริพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขณะตัวใหม่มันจะชนะขณะตัวเก่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันมันก็เสริมเสริมเสริมเสริถ้าเป็นเรื่องต่างกันมันก็จะตัดอันเก่าไปเลยเช่นอย่างอกุศลแยกมาอกุศลเนี่ยพราะขณะดอากุศลมันทำปั๊บอกุศลดับ อากุศลโผล่ไม่ได้อากุศลเป็นเรื่องของตัณหาเราตรวจเช็คสารวจมาที่ใจของเราเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงเหตุกับผลแส้งมันไม่มันไม่เลยเถิดเกินไปไหนมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่วาจาที่ใจเรามันอยู่ที่ตาที่รูปที่หูที่เสียงที่จมูกที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ รถกายสัมผัสแล้วก็ธรรมารมนึกคิดกรองอยู่ในใจท่านเรียกว่าธรรมารมธรรมารม อ, อารมณ์จิตใจนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่าธรรมารมธรรมารมบางทีไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เป็นสัญญาอารมณ์เอาไปกรองมาไปอุ่นกินอยู่นั่นแหนละลูกตาท่านใช้คว่าเอาไปอุ่นกินอยู่เนี่ย เอาของเก่าไปอุ่นกินอยู่นั่นสัญญาอารมณ์ตกลงไปแล้วโอ๊โ้รูกมันเคยเห็นถูกใจมากทุกอกทูกใจไปนั่งปรุงนั่งขึ้นคลื่นน้ําลายเ อ, อือกพอแต่ท่านท่านเถียง ม, มือนก็บาสุนัขมาเถะกระดมกระโดมมันจะมีอะไรอืกระโดมจะมีอะไรเถะไปคลื่นน้ํำลายเ อ, อือกมีแต่น้าลายของตัวเอง พิจารณาดูให้ดีไม่ต่างอะไรจริงๆเราจะได้สลรดสังเวชกับความโงงงงายที่ตหนามันมาเข้าหัวใจของเราเราพอจะตื่นรู้อยู่บ้างเนี่ยเราพูดถึงเหตุกับผลมันก็เลยพันไปเหตุกับผลเท่งนั้นอยู่ๆเรานั่งจับผลย้อนไปหาเหตุ ลูกตาท่าในให้พิจารณาอะยะสัมันธ์ให้กำหนดทุกย้อนไปดูสมุทัยให้กําหนดทุกย้อนไปดูสมุทยมัยกําหนดอะไรทุกกำหนดกายกายเป็นทุกกําหนดมาที่จิตจิ ต, จตมีตัณหานี่ยนะคือทุกกำหนดปั๊ย้อนเอาใจแล้วย้อนใจย้อนไปแล้วมัเจออะไรก็ล้องย้อนอลงไมพอเริ่มทานรักจะเริ่มรู้เออมันไม่ใช่เดียวกัน ไอ้สังขารที่คอยปรุงช้อยปรุงยับเข้ามายับเข้ามากับไอ้ผู้รับรู้เนี่ยมนก็ลอ่อนพิดหรือถูกเราก็กรองอยู่ในนั้น <c oughs> ในเมือ่อรู้โอ้เหตุเป็นอกติล่รวรู้ทันปุ๊บก็ตกไปเราทันจนมันไม่กล้าสามารถจะโผล่ขึ้นมาได้ครูบาอาจารย์ท่านสอนในเมื่อมันไม่กล้าโผล่ขึ้นมา เพราะเมือ่อกว่าเราจดจ้องกำหนดจดจ้องอยู่อยูุ่เฉพาะหน้าเมันไม่กล้าโผล่มาตัณหาไม่กล้าแสดงกิริยาออกมาที่ใจของเราท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาตามรู้เหมือนอย่างเหมือนเหมือนอย่างที่ท่านให้ปิดช่องปิดรูทั้งห้าช่องให้เหลือแค่รูเดียวแล้วคุดก็ไปคอยจับ หรือถ้าเราพจถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับว่าเราขุดรูอะไรรูหนูตามขุดตามไปขุดตามไปขุดตามไปขุดตามไปไปถึงต้นต่อพอไปถึงต้นต่อมันมันก็เห็นเห็นอะไรเห็นหนูไยสมมติเราขุดหนูเลยเราขิดแย่รูขุดแยนขุดไปขุดไปขุดไปพอไปถึงทางตันมันไม่ไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละแล้วก็ตามพิจารณาเราหลงกายเราหลงเพราะอะไร เรากำหนดกายแล้วย้อนมรุูที่จิตทำไมมันถึงว่ากายเรากายของเขาเรานี่อันที้สองของการเจริญมหาสตินะ่ะมันทำให้เรามีความรอบรู้ลักษณะอย่างนี้มันไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนเลย ม, มันมีแต่ความรู้มันมีแต่ปัญญาล้วน ว่าเราตั้งอกตั้งใจเจริญมันจะมีมันจะมีมะมอิสงเพิ่มมาในเพิ่มความฉลาดมาที่หัวใจของเรามันจะละเอียดลึกก็ไปละเอียดลึกก็ไปละเอียดลึกลก็ไปกำหนดทุกย้อนมา ด, าดูสมุทัยดูที่ใจสมุทัยมันเกิดที่ใจมันไม่เกิดทีอ่อื่นกำหนดกายย้อนมาดูที่ใจใจมันเป็นคนว่ากายเรากายของของเรากายงามกายไม่งามใจมันเป็นคนว่า แต่หากมันมีสิ่งแปักดันให้ว่าคือตัณหามันแทรกประชิดใจแต่ถ้ามันมีสติกำหนดจดจ่ออยู่มีกำหนดจดจ่ออยู่อยู่แล้วตัณหามันแทรกไม่ได้เห็นสักจะว่าเห็นจริงๆเราให้ดูให้เห็นสักเท่าไหร่จริงๆในเมื่อมันไม่กลา้าแสดงออกมามันไม่กล้าโผล่ขึ้นมาแล้วก็คุดรูตามรูมันไปตามพิจารณา ตามพิจารณามาที่กายตามพิจารณามาที่เวทนาตามพิจารณามาที่จิตตามพิจารณามาที่ธรรมตามหลักมหาชนิปัจฐานที่ท่านพูดว่าไว้กายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณมันกันเดียวกัน เวลามาคิดในแง่ของมารติก็พิจารณากายแล้วก็พิจารณาเวทนาแล้วพิจารณามาที่จิตแล้วก็พิจารณามาที่ธรรมคาว่ท า, าทำทำในที่นี้หมายความว่าทำมาอาร้องอารมณ์มที่มันคิดนึกอยู่ในใจนั่นแหละมันเอาสัญญาอารมณ์ที่ตกลงไปแล้วเนยมานึกมาคิดมาพุงมัาอุ่นกินทั้งวันนั้น น, นี่เขาเรียกว่าทำมารองพิจารณาธรรม บางครั้งคนก็กันปฏิบัติท่านให้พิจารณาเหมือนกันถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงโอ้เราได้สมาชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้หลงลำพองตัวแล้วโอ้เราได้ญาณชัน้นนั่นแล้วชั้นนั้นแล้วชั้นนั้นแล้วท่านให้จะล่ำรวมพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปพิจารณาสอดสอแสดแทรกหาแนวสมปนเปื้อนมาเศบหาสิ่งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ พีจาราถึงคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดการยึดในคุณธรรมเหล่านั้นอะไรโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรายึดเป็นสมุทัยทั้งนั้นอะไรโผล่ขึ้นมายึดเป็นสมุทัยนั้นยกเว้นอย่างเดียวมัดดําริบมัดที่ใจเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นศลป็็นนสมาธิเปปัญญาดําริบมาที่ใจมันจะไม่เป็นโทษ ย, ยึดได้อย่างเดียวยึดมั่งอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมั่งยึดได้อย่างเดียวคือมั่งทุกนึกยึดไม่ได้สมุทัยยิ่งให้ปล่อยนิโรธคือความดับทุกเรนั้นดับมากดับน้อยดับเท่าไหรก็ตามเดอยท่านไม่ยึดทั้งนั้นแม้แต่ผลของสมาธิสมาบัติท่านก็ไม่ยึดแม้แต่ผลของปัญญาอยา่างขั้นไหนขั้นหนึ่งดูความ ติดใจความเสน่หาของใจของเราที่มันไปประสบพบเห็นสิ่งที่แปลกในอัศจรรย์ในใจของเรามันยึดมันเกาะมันติดนั่นคือเยื่อใหยเข้ามนมันสวมรอยเข้ามามันละเอียดมันละเอียดมากยึดได้อย่เดียวคือมักเท่านั้นเองแต่ก็มักในบังคับได้บังคับให้เป็นไปนตามมักได้แต่ผลบังคับไม่ได้ การทั้งใจภาวนาะบอกอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับบังคับไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่บังคับให้เดินตามมั้จะไม่มีผลดใดๆปรากฏมีแต่ผลไม่ดีเท่า้นปรากฏบังคับให้เป็นไปนตามใจมั้มาดูความสังวรสัมรวมระวังบังคับไหมสัมบูรวมมาที่ตากำหนดจดจอ่อต้องบังคับไหมนู่บังคับหรือไม่บังคับสัมบูรวมมาที่ใจ ใช้ความติใช้ขันติใช้ความอดใช้ความทนใช้อะไรอะไรบังคับไหมเหมือนอย่างเรานั่งทนเจ็บทนปวดเนี่ยต้องบังคับไหมต้องฝ่าฝืนไหมต้องใช้ขันติความอดความทนไห ม, มกิริยาเหล่นี้ยเป็นกิริยาบังคับทั้งนั้นเป็นกิริยาบังคับทั้งนั้นสังวรประทานดูที่สังวรประทานนั่นแหละบังคับให้มันอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวเจ้า ดึงสติมันอยู่กับอารมณ์เดียวจ้อตัวไหนที่มันโผล่ขึ้นมาก็พยายามละผะหานประทานสังวรประทานผะหานประทานสังวรประทานคือไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดตัณหาเก่าพยายามละมันเข้าหลับไหลักับผลทั้งนั้นสังวรประทานผหานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาผะฐานในเมื่อเราตั้งใจภาวนามันก็รักษาไปในตัว เราตั้งใจภาวนาอย่างเดียวเนี่ยประทานทั้งสี่ได้ครบตั้งใจสังวรประทา น, นมันก็เป็นการภาวนาประทานตั้งใจประหารประทานเนี่ยตั้งใจประหานประทานหมายความว่ า, อ, าอนุรักษณาประทานคือตามรักษาผลที่กิเลสตัณหาเหล่านั้นไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่มีรักษาผลเอาไว้ เราว่าบทใ ด, ดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งเราเข้าใจว่ามันทะลุถึงกันหมดมันจะทะลุถึงกันหมดนี่เลยลุกลามใหญ่โตไปถึงนั้นสังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษ์ธนาประทานประทานในที่นี้ท่านหมายถึงความเพียร น, นะอันนี้เป็นความเพียรในองค์มรรคเป็นองค์มรรคความเพียรในองค์มรรค การปฏิบัติเราเอาอะไรมาเป็นข้อปฏิบัติถ้าเราไม่เอาสัมรูมระวังมาเป็นข้อปฏิบัติไม่มีความสัมรวมระมัดระวังกิริยากายเลยกิริยาวาจาเลยกิริยาใจเลยเอาอะไรมาปฏิบัติเพื่อกายล่อนจนเพื่อวาจาเพื่อใจล่อนจนไม่มีอะไรมาเป็นอาอรรดไม่มีอะไรมาบังคับให้เรา ตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามปฏิบัติไม่มีสังวรประธานผานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานนี้เป็นความเพียรในอริยมรรคโลกแปดความเพียรทําแค่นี้ครบหมดทั้งแปดทําแค่นี้อย่างนั้นจะเป็นมรสมาคีได้หละสมงคีมันตะล่อมเข้ามาตะล่องเข้ามาแล้วเราทําที่ใจดวงเดียว มันก็เป็นเขา อ, อันเดียวสามาัคคีอมร่มกันเหมือนกําปั้นเนี่ยเราเรากระมือปั้นนิ้วมันสามาัคคีมันพร้อมกันหมดพอไปแยกปั้นโอ้สี่นิ้วห้านิ้วจริงว่ามักสามัคคีมักสามาัคคีในขณะที่ทํานั้นสติกล้าปัญญาแข็งหมุนแผ่เผาอยู่นั่นแหละ จะเป็นอะไรมันจะตกมันจะลมมจะเหลือมันได้อะไรก็ช่างมันจะคอยตั้งอกตั้งใจแผลเผาอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งจะได้อ๋อแหละสักหน่อยหนึ่งจะได้อ๋อแหละอืมสิ่งที่เราไม่คือสิ่งที่เกินขาดเกินดาวเกินหมายมันมีอยู่มันพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่ในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจสีสีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยความเสียดสีนะั้นมันเป็นเหตุให้เกิดไฟเสียดสีไม่หยุดไม่หย่อง รักษาความร้อนไปเรื่อยร้อนไปเรื่อยเพิ่มหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปในสุดก็เป็นเปลี่ยวขึ้นมาได้ในขณะที่เราขัดสีอยู่นั้นถ้าเราจะเที่ยวกับมึงเราพิจารณาให้ได้ทางหน้าปัญญาให้เกิดปัญญาเราพิจารณาทางหน้าปัญญาให้เกิดปัญญาพิจารณาแล้วบรรลุผลเกิดญาณท่านเรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณปัญญาญาณผลปรากฏ เกินคาดเกินเดาเกินหม่ในใจของเราอันนี้เราพูดถึงคุณสมบัติที่เราจะพึงสร้างพึงทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราทุกอย่างต้องนําสู่การปฏิบัติถ้าไม่มีหนทางนําสู่การปฏิบัติมันจะไม่มีผลไม่มีปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทไม่ใช่เราไปเรียนปริยัตแล้วเราก็ทิ้งปฏิบัติ เราไปตั้งใจปฏิบัติแล้วไปตำหนิปริญญานี่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกแล้วก็ไปหวังแต่ผลหวังแต่ผลไม่ทําเหตุผลที่ไหนมันจะเกิดไม่เกิดท่านเรียงเอาไว้ปริญญาปฏิบัติปฏิเวทชินสมาธิปัญญาแล้วก็บางทีก็อู่นอวดดีไปตัดสมาธิท่านออกดูไปที่ใจสมาธิของเราสมาธิของเรามันมีปัญญาไหมลองขาดสติลองดู เราขาดสัมปชัญญะเราเลยจิตสงบไหมสงบไม่ได้เราพิจารณาไปแล้วก็จิตของเราขาดสติขาดสัมปชัญญนะปัญญาเกิดขึ้นได้ไหมปัญญาเกิดไม่ได้ในขณะที่จิตของเราสงบมันสงบอยู่กับอารมณ์เดียวแต่ในนั้นก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้โรูเฉพาะ อ, อยู่ไม่ใช่สงบแล้วเงียบหายไปเลย เมือนนอนหลัเงียบไปหายไปเลยอันนั้นไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าคือสมาธิชอบสมาธิประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมผัสัญญาประกอบไปด้วยความประคองอาตตปะความการประคับประคองคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจของเราเราต้องอบตั้งใจฝึกฝนอบรมเราควรจะได้อะไร คงจะเพิ่มอะไร <c oughs> เราก็จะ้อันั้นแ เ, เราก็ปรรบธรรมะสู่คนฟังห้าสิบแปดนาทีห้าสิบแปดนาที <ừ. S 2> พวกเราคนนั่งตั้งใจฟังจะได้รบับความสงบถ้าหากไม่ส่งอองนอกนะหรือบางคนเจ็บปวด ก็พิจารณาเวทนามาพิจารณ า, า, าทุกขเวทนาเวทนาก็คือทุกข์ ก, กายร่างกายปวดบันเอวมันปวดต่โพกมันปวดหัวเขาปวดเพราะเรานั่งนานท่านเชืว่าอิริยาบุมันบางทุกข์พอเรานั่งปวดแล้วก็ยุกลุกขึ้นยืนพอเรายืนปวดแล้วก็เดินพอเดินปวดแล้วก็นั่งนั่งมากแล้วก็นอนนอนมากปวดแล้วก็ลุกคือ อิริยาบดเหล่านี้แหละบันทุกเราลองไม่เปลี่ยนอิริยาบดดูความทุกข์มันเป็นสัจธรรมจะปรากฏเฉพาะหน้าเรา <S <S เดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่มันสำคัญเวลาปรากฏออกมาแล้วเรากลัวเนะี่ยกลาดูเบิกกล้าพิจารณาทั้งทั้ที่เราตั้งใจนั่งภาวนาเพื่อให้เห็นสัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมมาปรากฏแล้วไม่กล้าพิจารณาให้เราเอาแง่งมุมนี้มาคิด เราจะได้ตอกกอนกับมันอ่ะตอกกอนกับเวทนามันปวดก็ดูไปที่กายตรงที่มันปวดลูกสาวจะสอนไม่หมดดูไปตรงที่มันปวดดูไปที่กายเอาใจใส่ไปที่กายจาะไปที่เวทนาจาะไปทีกายจาะไปที่เวทนามันไม่ใช่นเดียวกันมันคนละอันแล้วก็ผู้รู้ว่ากายก็บปีกอันหนึ่งผรู้ว่าเวทนา ผูรู้ว่ากายว่าเวทนาก็เป็นอีกอันหนึ่งท่านอยังให้ย้อนมาที่จิตแต่ทัานหาเวลามันจะแทรกมันไม่ใช่แทรกไปที่เวทนานะมันไม่ใช่ไม่ใช่แทรกไปที่กายมันแทรกมาที่จิตท่านอยังให้ย้อนมาดูจิตนี่ท่านหาวิธีที่สะดวกมากให้พวกเราไปฝึกไปทํารูให้มากแนละ้วจะประสบผลดูเวทนา ดูจิตดูจิ ต, จตก็หมายคือว่าเอาควารู้เลยจิ้มไปจิ้มควรู้จิ้มไปลองจิ้มงดูมันไปเจออะไรก็ลองจิ้มลองดูสักหน่อยหนึ่งเราจะเห็นท่านาที่มันแตกต่างแปลกปราดอัศจารย์อยู่ในนั้นนี่การที่เราทําเราพิจารณาเพื่อพิจารณาเพื่อทําลายอัตตาตัวตนอย่าลืมว่าเจ้าตัวอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไร่ไไรนะตัณหามันโผล่เข้ามาแล้ว อันนี้เป็นลูกสมุนของตันหานหน้าตาตัวตนเผลขึ้นมาทีไรเมื่อไรการถือเนื้อถือตัวพวกก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้นเราอายุมากกว่าเราหล่อกว่าเราสวยกว่าสุขภาพเราดีกว่าเรารวยกว่าเรามีสักมากกว่าเรามียศมากกว่าเรามีเกียรติกว่าหน้าตาเรามีมากกว่าหน้าตาในาสังคมนี่หละไอ้ข้อเปรียบเทียบเหล่านี้มันเป็นเรื่องของ ของตันหาทั้งนั้นและพวกเรายุ่งยากวุ่นวายกับทุกวันนี้ก็เพราะกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น mm hmm. เพราะอัตราตัวตนมันโผล่ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านท่านจึงใช้คําว่าคนที่มี mm hmm. ทิ่ทมนันหนามากคือคนมีอัตราสูงอัตราสูงอัตราสูงอาหัวชนฝานั่นอัตราสูงถึงมันนี้โผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรนั่นคือตันหามันโผล่ขึ้นมา mm hmm. ถ้ารับลอยให้อัตราตัว ต, วตนมันโผล่ขึ้นมาแล้ว อุปาทานก็เกิดพบก็เกิดชาติก็เกิดเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาเลยใช่ม เ, เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจสัจธว่ารู้สัจธว่าเห็นไม่กับความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนจนจิตแนบแน่นมั่นคงยอมรับเต็มที่เต็มร้อยเห็นสัจธว่ากิริยาการเหล่านั้น จนลัะความนึกคิดคำวามาอัตตาตัวตนได้นึกความนึกคิดลัะความเห็นว่าอัตตาว่าตัวตนได้อืเริ่มเห็นเริ่มเห็นตั้งแต่ประสบดาวพันธุ์ขึ้นไปฟังธรรมะที่ท่านเทศน์สองเริ่มเห็นตั้งแต่ประสบดาวาันธุ์ขึ้นไปเมื่อยังอัญญากรุณัญญาได้ฟังธรรมะจักฉลทัตได้บรรลุธรรมพระจิตท่านเข้าถึงกระแสธรรม จิตเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คืออะไรหลักความเป็นไปของวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งปวกไม่คงทนเปลี่ยนไปไม่คงทนเป็นเป็นภาวะของความทุกข์ทุกข์สภาวะอืมสภาวะความทุกข์ที่กายความสภาวะความทุกข์ที่ใจมันไม่เคยอยู่เท่เดิมมันเปลี่ยนไปหนึ่งทุกข์เจ็บทุกข์ปวดสองทุก เพราะมันไม่คงที่มันไม่อยู่กับที่มันมันพิจารณาเทียบเคียงแล้วมันได้ทั้งหมดพอมันไม่คงที่มันก็เป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังและภาวะอันนี้มีใครมาดักมานักเพลงได้ไม่มีรู้ได้าย่อท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราแต่ทำยังไงเราจะมาขบมาเขี้ยวตรงนี้ ให้มันเห็นสักเท่าไหรเห็นมันไม่ใช่เราถ้าเราไม่เริ่มไปจากตรงนี้เราเริ่มไปจากตรงนี้มันเป็นการเริ่มสร้างพื้นสร้างบาสร้างฐานระดับแรกเราก็เจริญความสงบมีความสงบแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนั้นก็คือการใช้แนวความคิดตามหลักมาสติสติปัฏฐานนี่แหละมาพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่มาตรงนี้ให้มันเกิดปัญญา เกิดอีกไม่ได้ต้องมาพลิกแปลงพลิกแปลงด้วยบายวิธีอย่างนี้แต่ถ้าจิตสงบเราเอามาทํางานจิตมันก็อยู่ถ้าจิตไม่สงบจิตยังหิวจิตไม่อิ่มไม่พอเมื่อเราเมื่อยังเราหิวอยู่เราไม่อิ่มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะเอากําลังที่ไหนไปทํางานแต่ถ้าอิ่มมึงตึงกาลังวางฉามก็มีเรี่ยวแรงก็มีทํางานทําการได้ จิตที่สงบคือจิตไม่หิวจิตอิ่มจิตไม่โดดดิ้นไปตามอนะของกิเลสจิตไม่สงบนะคือจิตเร็วต่อการรับรับรู้ต่อตันหามันแทรกเข้ามาแล้วก็ต่อเนื่องสื่อให้กับมันมันเชื่อประสานกับตันหามได้ง่ายได้เร็วการที่เรามปเจริญสถมถะก่อนมีกำลังพอจอะวิปัสนาสลับกันไปเรื่อยๆ่นี่วิธีที่ผู้ศึกษาอาจารย์ ถอนเราไม่ทอดทิ้งเดินไปเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปเดินไปเหนื่อยก็หยุดยศก็คืออยู่กทัที่หมายความว่าจิตไม่มีกิริยา ก, การให้มันสงบอยู่กับที่การที่ไปพิจารณามันก็เป็นการสั่งเปลี่ยนขณะ ข, ของจิตไปมืันก็เห น, เห น, หนื่อยทา้เหมือนกันเมื่อเราไปทํางานทํามากมันก็เปลืองแรงเปลืองกาลังถึงคราวหมดแรงหมดกําลังมันมีอยู่ จึงเป็นอิริยาบถที่พระอริยเจ้าท่านใช้ใช้สมาธิใช้สมาบัติมากำกับมาดูแลจิตของท่านเป็นไปอย่างส ม, ม่ําเสมอมีความสุขที่เรียกว่าอยู่กับวิหา ร, ธร ร, หารธรรมของท่านวิหารธรรมของท่านแต่เรามาพูดถึงเราเราที่เราตั้งตั้งใจทำเนี่ยเราเดินไปสออย่างเราจะไม่สับสนจักอย่างหนึ่งอยู่กับอารมณ์เดียวไม่เปลี่ยนอารมณ์เป็นเรื่องของสมมติฐาน ความสงบไปเถอะสงบมากสัอย่าไปกลัวยังจิตยังไม่มีสมาธิเลยอย่าไปกลัวติดสมาธิให้มันมีสมาธิซะก่อนอยไปคิดกลัวกลัวมันเวลาสมาธิดีออกมาพิจารณามันชัดเจนนี่คืออันดีสงของของมัน อ, อไม่ใช่เจอสมาธิได้แล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเองไม่ใช่เอาอันนี้เป็นเพื่อนเป็นบาปเป็นฐานแล้วมาพิจารณาระพูดอย่างนี้มันไม่ขัดกัน มันเําน่วยไปตามหลักอริยมรรคใงแบบศีล ส, สมาธิปัญญามันได้มีอะไรขัดกันเราไปเจอสติเจอิอไปเจิญสติเห็นเนอได้ยินเนอกําหนดดูอย่างนั้นก็นบอกนี่นักนาเข้ามันไม่เข้าใจอันนี้จังเนอทุกข์ังหนอะอ ม, มันไม่เข้าใจตัญหามันสวมหล่อเขามามันดึงไปใช้แล้วนะมันไม่รู้ข้อเท็จจริงมาก อันนี้จำคืออะไรเป็นอะไรทุกขังคืออะไรเป็นอะไ ร, ออะไ ร, เ, ะไรเราจำได้อยู่แต่เรายังไม่ได้มองให้เห็นด้วยสติปัญญาของเราด้วยญาณของเราคนที่แทจ้จริงไม่ปรากฏปรากฏเน่ผ่จั่งปลอมของปลอมเราก็เล่นกัน อ, อย่างนี้แหละของจริงบ้างของปลอมบ้างลองกันดูแหละมาลองกันดูแหละต้องต้องใจําวรก็มีความ ใกล้ครวนมีความรังรุ่งรังพันมีความพออบพอใจอยู่กับอยู่กับเหตุคือมกัก<ม>และผลทั้งหลายทั้งปวงก็จะค่อยๆขยับมาขยับมาอ่าพอสมควรแต่เวลาแค่นี้ก่อนตอนนี้ <c oughs> อย่างเวลาอีกช่วโบุเดียวโอ้ชีตังเมชิตังเมใกล้เข้ามาแล้วชีตังเมชีตังเมใกล้เข้ามาแล้ว <c oughs> เออเราสวดเราสวดจะพาสวดอนัน ต, ตลักษณะสูตรแล้วก็อาทิตตปริยายาสูตรบางทีอาจจะเลยไปถึงอานิสงฆ์ของมหาเศรษฐประธาน เสร็จแล้วเราก็จะนั่งภาวนาข้ามปีอย่หละตอนนี้เออนั่งนั่งภาวนาข้ามปีเอาเวลานอกห้านาทีเฮเวลานอกห้านาทีนานไม่ได้นะเวลานอกนะ <c oughs> เนียฮเวลานอกให้มากไม่ได้ ตอนนี้ก็ห่าทุม่มเลยนะแป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวอยู่คนเดียวหงายท้องตรงยาวทั้งนานแ ล, ล้วแหละเห็นไหมอำนาจของฮิริความละอายแก่ใจมันช่วยเราได้ไหมอำนาจของฮิริมีความละอายแก่ใจอี่คนอื่นนั่งได้เราก็นั่งได้คนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้ คนอื่นทนได้แล้วก็ทนได้โอ้เราไม่ทนลองไม่ระวังลองดูหงายท้องดูที่โอ้ความละอายช่วยเราเนี่ความละอายช่วยเราเหมือนพระนันธาเนี่นแหละพระนันทะได้มรุมาตรผลเพราะความละอายนะโอ้เราทำไมเราต้องตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้าว่ะ คนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเฮ้ยคนอื่นเขาอยากได้มักได้ผลเขาตั้งใจภาวนาอันนี้เพคนอยากได้ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้า<ม>ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าคนนั้น ก, ซนนนกซ็ซุบซิบคนนี้ก็ซิบสิบโอ้ <c oughs> เกิดละละอายแก่ใจเลยใจมันเลยถอนมาจากนางฟ้าทั้งหมดมาอยู่ขา้างนี้กับตัวเบายวิธีของจอมปราดของพระพุทธเจ้าเห็นไหม วิธีของท่านในสุดนั้นท่าจิตถอนมาหมดแล้วจากนางชนบทกาลยานีก็ถอนมาแล้วจากเทวนาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นนางฟ้าที่งามที่สุดถอนมาหมดแล้วมาอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งอกตั้งใจภาวนาแน่เป็นเนื้อเป็นหนังได้อัดได้ทำได้มากไดผลในที่สุดหนีไปจากความละอายไปจากหฮริไปจากวัติุ ป, ปั ท่านพูดถึงอานิสงท่านพูดถึงอานิสงของการการภาวนานี่แหละ okay. นี่ถ้าเราจะเรียกว่าปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญาแไ <Yeah. S 1> ม้ก็คือปัจฐานานี่แหละมันเป็นเป็นการพิจารณา <Yeah. S 1> เป็นบทพิจารณาเพื่อปัญญา <Yeah. S 1> เพื่อเกิดปัญญา คอยตั้งอกตั้งใจมีผลมีณนิสงส์เจ็ดวันเจดเดือนเจดปีเจวันเจดเดือนเจดปีอย่างเร็วที่สุดเจดวันอย่างช้าที่สุดเจดปีคนนั้นถ้ายังมีตัณหาหมาณทิฐิอยู่ยังมีอุปธิอยู่ยังมีกิเลสอยู่ ออได้ยังต่ำที่สุดเป็นพระอนาคามยังสูงสุดเป็นพระอนาคามียังต่ำสุดเป็นพระโสดาบันเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดปีหกปีเจ็ดปียกไว้หกปีหกปียกไว้ห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนยกไว้6เดือนหเดือนสเดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยกไว้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนยกไว้เจ็ดวันอย่างเร็วที่สุดเจวันนี่ท่านพูดถึงอานิสงส์ที่ตั้งใจเจริญอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของผู้เจริญถ้าเป็นประเภทกิบปาปิญญาท่านก็บรรลุธรรมได้เร็วเหมือนอย่างพระพาหิยะเนี้ย พระเจ้าทรงตรัสคาถาแทบจะยังไม่จบหนึ่งคาถาเนี่ยได้บรรลุเป็นประเภทขิบปนาวพิญญาบรรลุทำเร็วพระพายยะนะแท้ที่จริงพระพายยะยังไม่ได้บวชนะะยังไม่ได้บวชท่านบอกว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วยังไม่ได้บวชอไม่มีอเนกสง์ไม่เคยถวายผ้าว่างั้นนะไม่เคยถวายผ้า กูจะจ้าไปหาบริการมาบวชดูว่าจะมีองค์เดียวหรืมั้งให้ไปหาบริการมาบวชขณะที่ไปเคลียร์ผ้าตามกองอยาดเยื่ออะไรมาเพื่อที่จะมามาซักมาตัดมาเย็บมาย้อมเพื่อทําผ้าเพื่อที่จะบวชเนี่ยแหละเพราะผู้จะบวชมันจะต้องมีผ้าสมัยก่อนหายากพวกเราตู้วันนี้ไม่อดหละพวกเราเนี่ยเต็มร้าน น, นนะ จะเอาเลือกชั้นไหนระดับไหนอผ้าไม่ไมอด<ม>ทุกวันเนี่ยสมัยแต่ก่อนอดจริงๆต้องไปหาผ้าบางสกุลเหมือนอย่างพระพา ย, ยะ <c oughs> ไปเคลียในกองขยะเนี่ยก <c oughs> ็บอกก็บอกว่ามียักษิศรีตัวหนึ่งเคยเคยเคยป็นศัตรูกันกับพระพา ย, ยะเนี่ยไปสิงไปสิงวัวเข้าทํำให้วัวตัวนั้นอ่ะไปชนพระพา ย, ยะตายอย่างพระท่านในบวช น, นะ แต่ก็เรียกว่าพระภาหิยะพระภายิยะแปลว่ า, าเป็นคือท่านเป็นผู้บรรลุธรรมได้เร็วเพระเภิดขี ป, ปาาิญญาอันนี้ไม่ต้องถึงเจ็ดวันเลยซ้ําไปตอนพูดถึงตำนานว่าพระพาหิยะนี่ไปค้าขายไปค้าขายนี่สําเภาแตกมันไงสัาเภาแตกเรือจมได้เกาะแผ่นกระดานมาลอยมาลอยมาตามกระแสคลื่นของทะเลนั่นแหะ มาก็มาติดที่ท่าท่าสุปารากระท่าเรือนั่นแหละมาติดที่ท่าสุปรารกะก็เลยมาขึ้นบกที่ที่ท่าสุปรารกะเนี่ยตอนมาอยู่ในทะเลนั่นนะ่ะเสื้อผ้าพออะไรก็หลุดหายหมดหาเรือแต่ตัวอพอมาแล้วก็ไม่มีอะไรก็หาใบไม้มาปกปิดอาวัยยะพักของตัวเองคนเราเห็นแปลกๆล ก, ล ก, ก็เลยเออคนนี้แปลกเลยพระหลานพระหลานไปกราบไปไหว้เอานน่นไปใ ห, เปให้เอานี่ไปให้ อตอนที่ท่านไม่มีผ้านุ่งน่ะนะเพราะน้ําเรือมนอับปามาลอยมาทำลอยมาในเกระแสคลื่นทะเลนะั่นแะพอไปขึ้นทิศท่าคนในท่าเขาเห็นเห็นอ้พระอรหันแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่น่ะไม่มีอะไรนุ่งห่มเลยไม่มีความละอายอะไรเลยเนี่ยพากันมากราบมาไหว้เอานน้นมาให้เอานี้มาให้ในที่สุดพายะเลยได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้กินกับ คนเขาหลงเลื่อมใสศรัทธาหลงอไม่ใช่รู้จริงหรอกหลงหลงเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงก็คือท่านถูกเรือดแตกเรืออปางมาไม่มีเสื้อผ้านุ่งอืมทีนี้ในเมื่อเขาศรัทธาอย่างนี้เขานับถืออย่างงี้เราได้อยู่ได้กินอย่างงี้ก็เลยถืออย่างนั้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างงั้นละคนเราเนี่ยความเห็นแก่ตัวใช่ไหมไม่รู้ว่าเจ้าของหลอกลวงเขา ทีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเอมามาตั้งใจปฏิบัติธรรมตายไปแล้วไปเป็นเทวดานะยังไม่ได้บรรลุธรรมเปเป็นเทวดาก็มาดูเห็นาภายาะเนี่ยกำลังจะลวงเขาเขาเรียกว่าลวงโลกลวงโลกเขาไม่รู้จริงเขาไม่เข้าใจเลยก็ไปลวงเขาเพราะได้อยู่ได้กิน เธอจะมามัวลวงโลกอะไรอยู่นี้<ม>พระศาสดาอุบัติขึ้นแล้วอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นให้รีบไปให้รีบไปให้รีบไปเฝ้าไปแสดงไปฟังธรรมกับพระองคอ์อยู่ที่ไหนก็เทวดาบอกพระพายะก็ไปไปก็ไปพบพระพุทธเจ้ากำลางบิณฑบาตอยู่เริ่มใสยศรัทธาเพ่อจะเข้าไปถามให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังไปวาระหนึ่งขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟัง พระองค์ใช้เป็นบินบบตทใช้ครั้งที่สองก็บินบบาทใช้ประครั้งที่สก็พูดไปอีกข้าพระองค์ไม่แน่ใจในชีวิตในอัตภาพของตัวเองว่าชีมีจะมีชีวิตยั่งยืนไปสักเท่าไหร่ขอพระองค์ได้เมตตาสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าอย่างนั้นถ้าเธอเธอจะนเธอจงตั้งใจฟังเราจ ะ, สะแสดงธรรมย่อๆ ส, สั้นๆในฟังเห็นจกักต้องมาได้เห็น เธอจองเห็นมีตาเห็นสักทวะได้เห็นนี่ผู้มีบุญเด้่จิตก็กำหนดจดจ่อตามเห็นสักเทวะได้เห็นได้ยินสักทวะได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรสักแต่ว่าสักเทวะไอ้คำว่าสักเทวะเนี่หมายความว่าตัณหาไม่แทรกจิตเวทนาดีใจไม่เกิดเสียใจไม่เกิดยินทีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดสักเทวะสักเทวะยังไม่จบหนึ่งคาถาจิตถอนพรวดออกมาจาก ตันนวหาอาสวะในหัวใจได้บรรลุธรรมพระภายยเนี่พอเสร็จแล้วก็ไปหาเคียนี่แหละไปหาผ้าเพื่อที่จะมาบวชนี่แหละขอบวชแล้วมันไม่มีอนอในสงฆ์ในที่สุดบวชเข้ามาชนตายเนี่ยบวที่ถูกยักษ์ินีไปสิงบวบบวแล้วก็ชนตายมีก็น่าจะเป็นประเภทที่ไม่ถึงเจ็ดวันฟังปุ๊บบรรลุปรับในสมัยนั้นในยุค ใ, ในยุคนั้นสมัยนั้นมี ท่านพูดท่านพูดถึงอดีตอดีตใกล้ๆที่จะไปอบัติเป็นพระภายยนะนีท่านเคยเป็นนักบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเ็องค์ไปบําเพ็ญความเพียรด้วยกันที่ว่าไปขึ้นไปทําความเพียรเอาไม้พาดขึ้นไปทําความเพียรที่บนยอดของหินนั่นนะเอาไม้พาดขึ้นไปหนึ่งสองสสเจ็ดพอขึ้นได้หมดแล้วก็เอามือพระบันไดออก ลงไม่ได้ท่เนี่ยเอาเพราะอะไเป็นก็เป็นตายก็ตายตา ย, ตายอย่างเนี่ยใครได้บรรลุธรรมก่อนให้เหาะไปบินตะบัดมาแจกหมู่กินเราโธใจเราดูใจเถอิดบางองค์ก็ได้เป็นพระารหันน่ะลอยไปบินตะบัดมาแจกมากขบมาแจกกันขบกันฉันได้บางองค์ก็ได้ฌานสมาบัติบางคนก็ได้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้อืพระพายะไม่ได้อะไร แต่ว่าตั้งอกตั้งใจอบรมบ่มด้วยต่พะธรรมอย่างจริงจังบางเงืนเถอนี้เป็นอดีตชาติที่ใกล้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตตอนนั้นจิตของทาง่านจ่ออยู่เต็มที่แล้วจ่ออยู่เต็มที่แล้วอก็เลยดับชีพวายชนในยุคสมัยที่ไปบําเพ็ญเพียรอยู่บนก้อนหินนั่นแ่ละพอมาชาตินี้ก็มาเป็นพระพายะนี่แหละจึงทําให้ท่านง่ายบําเพ็ญได้ง่ายอืผู้ที่เตรียมพร้อมหมดแล้ว ท่านว่าเหมือนกับอุคติทันยูถ้าเป็นดอกบัวก็โลรพนน้ำไปแล้วพร้อมที่จะบานเมื่อแสงเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์พร้อมที่จะบานประเภทพระภายประเภทพระผู้ที่ท่านได้จัดสรู้เร็วนี่ท่านพูดถึงอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีแต่ ต้องทําอย่างต่อเนื่อง<ฮ>ไม่ใช่ทำทำทำแล้วก็หยุดทำทำซ้ำๆต่อแล้วก็หยุดเหมือนอย่างพวกเราทํากันทําทําทําทำแล้วก็หยุดทําทำแล้วก็หยุดทําอย่างต่อเนื่องหนักหน้าเข้าไปเรื่อยเพิ่มก็เรื่อยเพิ่มก็เรื่อยทวีคูณก็เรื่อยเอาเปนเอาตายใส่เข้าไปเรื่อยคัดสีจนวาระสุดท้ายเ อ, เอาความเพียรมาเทียบกับการสีไม้เกิดไฟเนี่ย จนไม้ดุ่นนั้นน่ยที่เอามาเสียให้เกิดไฟลุกเป็นไฟเพิบขึ้นมาได้ไฟใช้เอาสติเอาปัญญาเอ า, เอาสติขันติโสรัจัริโอตตะปะความอดความทนสติสมาธิปัญญาอย่างยิ่งยวดขบเขี้ยวหมุนกันอยู่นั้นเน่ยเป็นตปะธรรมเอาจนเอาจ น, นเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้เกิดปัญญา ระดับใดที่ยังไม่เกิดยาเนะคือเกิดปัญาปญาปัญญาหมายความว่ามันยังไม่ถึงที่สุดไม่เป็นเหตุให้เกิดการเบื่อการหน่ายการคลายการจางเหมือนอย่างที่เร า, ราสวดอาทิตตปริยาญาสูจน์เมื่อกี้นั่นพอเบือ่อโอ้เบื่อในตาตาก็เบื่อในรูปหูเบื่อในเสียงจ ม, มูกในกลินล่นลิ้นในรูปกายสัมผัสเบือธรรมารมเบื่อใจในสุดเบื่อที่ใจไม่ใจเบือ่อเบือ่อก็คลายคลายก็ วิมุตต์ก็หลุดก็ผลพอพ้นไปแล้วมีญาณบอกว่าพ้นแล้ววิเศษแล้ววิมุตตสัมมิงวิมุตตมิติญาณังโหติรู้ว่าเจ้าของพ้นแล้วขี้นายชาติวุสิตรรังพระมิจฉาพระมิจฉานี้ได้อยู่จบแล้วรู้ว่าภาระที่จะต้องทําหมดแล้วเราดูในอาทิตตปริยัยสูตรอทิตปริยัยาสูตรที่เราสวดผ่านไปอนันตตานัคนัสูตรกับอาทิตตะปริยัยาสูตร อ, อธิตตปริยัยสูตรอนัตตลกนัสูตรแสดงกับปัญจวัคคีทั้งห้าตอนนั้นพระองค์ส่งแสดงธรรมะกล่อมกล่าวปัญจวัคคีทั้งหให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดเสร็จแล้วจึงแสดงอนัตตลกนัสูตรพูดถึงว่าเพราะธรรมะสูงสุดนั้นจะต้องถึงขั้นอนัตตาอนัตตาพอเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงแล้วก็หมดเยื่อใหญ่ตัดฉังยศได้ทั้งหมด นี่คืออนัตตาอธิตะปฎิยัยาสูตรแสดงเรื่องไฟสูตรที่ว่าด้วยไฟอธิตะอธิตะหมายความร้อนไฟมันมีความร้อนเพราะไปสอนพวกเชิดดินเชิดินบูชาไฟไฟที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ไฟไม่ใช่ไฟที่เรา บ, บูชานี้ตาเป็นไฟรูปเป็นไฟหูเป็นไฟตาหูจมูกริมกายใจยตนาภัยในหกยตนาภายนอกอวิญญาณหกพรรษา 6. นี่แหละเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคักขีนาโทสักขีนาวักนาไฟตัวนี้มันร้อนมันไม่ใช่ร้อนเหมือนเปลวไฟที่ไปไหมจนเป็นจนเป็นเท่าถ่านมันไม่ใช่ไฟอันนี้มันร้อนราุ่ไหมอยู่ในหัวใจของเราซึ่งมันร้อนร้อนมากกว่านั้นอีกร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะ สิ่งเนั้นเวลามันเกิดขึ้นจริงๆมันร้อนอยังไงเคนราคะโทสะเกิดในหัวใจเป็นไงหน้าดำหน้าแดง่าคนพึ่ง ๆ, ๆึๆ่พึพึงอหายพอหายแล้วก็ลืมตัวตื่นตัวอะไรตี่โอ้ตายแล้วตายเพราะฤทธิตของโทสะราคะในขณะที่มันกำเริบเต็มที่ลองไปมีอะไรขัดตายไปข้างหนึ่งนั่นดูที่รุนแรงขนาดไหนร้อนยิ่งกว่าฟืนูกไฟธรรมดาอีก ราคาินาไฟคือราคาโทสะกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมหะแสดงแก่พวกเชดิน1 0ึกับสแสดงที่ขยาศีษะน่นที่ต้นน้ำขยาเพราะพวกนี้ตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำขยาพี่ชายอรุเวลักกสะปะน้องลงมานาทีกาสปะน้องรองลงมาขยากาสปะ พี่ชายมีบริวารห้าร้อยน้องรองลงมามีบริวารสามร้อยน้องรองลงมามีบริวารสองร้อยรวมเป็นห้าร้อยทั้งหมดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยที่แรกพระพุทธเจ้าก็พยายามไปตะลอมไปเทศให้กับอุรุเวลาคสปานั่นแต่อรูเวลาคสปะถือแล้วเกินว่าจะขอให้เปลี่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไปทรมานเป็นร้อยรอยเปน็นพันพันอุบายวิธีโดยฤทธิ์ด้วยเดียดด้วยอภิญญาสระพันยอมรับอยู่อ แต่ความสําคัญคือยึดเอาถือเอาเฉยเฉยนี่แหละแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระรามพระเจ้าเสดงอย่างนั้นก็สู้เราไม่ได้เราเป็นพระรามพระเจ้าเสดงอย่างนี้สู้เราไม่ได้เราเป็นพระรามแต่ใจข้างในมันยอมอยู่พระริเจ้าท่านดูทั้งตาเนือ้อดูทั้งตาในดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในพอเห็นว่าข้างในคํานี่ยอมชีโรราบหมดเต็มที่แล้วพระองค์ก็เลยตรัสกัสปะเธอสําคัญเธอว่าจะของเปลี่ยนพระรามแท้ที่จริง ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาราณเธอก็ยังไม่รู้จักโอ้โหแทงใจดำหัวเก่าอ่อนยวบก ร, บประปกปลกปล ก, ปลกขอบวชนี่พี่ชายเลยลอยบริขารไปตามน้ำน้ำมันไหลน้องชายน้องคนกลางอยู่เห็นบริขารลอยไปโอ้พี่ชายอันได้รับอันตรายมาเอา้ามาน้องน้องเราเจออาจารย์แล้วเจอาศาสดาแล้วมาบวชมาบวชแล้วเรียกน้องไปเร็วเร็ว ล, ลอยบริขารไปคนน้องสุดท้องเห็นกั ไปดูอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่ไปก็เหมือนกันในสุกเลยบวชนี่ยบรรลุธรรมพร้อมกันด้วยสูตรพระสูตรอาทิตตปริยายสูตรเป็นธรรมกันที่สามที่พุทธเจา้าท่าสงสเดงนี่คือต้นตอที่ไปที่มาของพระพุทธศาสนาของเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเร า, เราลืมไม่ได้ ถ้าเราลืมเราหมดที่พึ่งหมดที่ยึดที่ถือแล้วจิตมันกลัวภายในจิตของของเราของท่านเนี่ยมันกลัวในเมื่อกลัวแล้วขอให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งยึดเป็นที่พึ่งเพื่อไม่ให้กลัวเห็นไหมในสงครามของเทวดาเนี่ยเอพระอินทร์ก็บอกเพราเธอทั้งหลายจงมองดูยอดธงของเราเนี่ยเอแล้วเธอจะไม่กลัวเธอจะหายกลัวรุ่ยาตาบอกว่ามันไม่หายกลัวดอกทงของ เพราะพระอินทร์ยังราคะโทสะโมหะเต็มแปร่อยู่เนี่ยนะมันไม่หาตัวดอกให้มาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทังสันนังกัจจามิธรรมังสันนังกัจจามิสังขังสันนังกัจจามิพอเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปับ๊บมันมีข้อปฏิบัตินี่สําคัญที่สุดมีข้อปฏิบัติมีข้องดข้อเว้นเช่นอย่างงดเว้น เอาเราลองมาลองรักษาศิ่งนั่งดูพอเราเริ่มรักษาปั๊บเราจะต้องงดเว้นข้อหนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตย์ข้อสองไม่รักทรัพย์สามข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรมข้อสไม่พูดโกหกข้อหไม่ให้ดื่มสุรามีอะไรมีข้อปฏิบัติแล้วนะปิดช่องที่จะเอาทุบไปทับท่วมหัวใจซึ่งมันแสดงออกมาทางกายปิดช่องที่จะเอาทุบไปทับถมหัวใจซึ่งมันแสดงออกมาทางวาจา ท่านยังให้รักษาสินสินไปกำกับกิเลสจับจับได้เอ <Okay. S 1> ทีนี้กิเลสมันแสดงออกมาที่กายไม่ได้ชี้วาจัเลยมันโดดดิ้นอยู่ข้างในใจท่านยังให้ภาวนาพุทโธพุทโธตะล่อมความรู้ให้มันอยู่กันหนึ่งเดียวเสร็จแล้วอะไรปรากฏมาในใจรู้จะได้เห็นอะไรปรากฏมาจะได้รู้จะได้เห็นกำหนจดจะจาะอยู่นั่นะพุทโธพุทโ ธ, ธให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวซะก่อนพอหลังจาก มีอารมณ์ความสงบก็ได้ความสง บ, สงบลึกเลี่ยขึ้นไปถึงขั้นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็แล้วแตเ่เขาฝึกโดยลําดับยุคนั้นสมัยนั้นถึงขั้นรูปปัสมาบัติอรม ป, ปรสมาบัติก็ฝึกได้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีบุญบัตรมีเกินนั้นฝึกได้แล้วเพระองว่าเอ๊ความทุกข์ยางเต็มแปร ย, ยังไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบแล้วแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่พระองค์ออกมาบําเพ็ญเห็นไหม พระองค์ออกมาบำเพ็ญก็ามาเจริญแค่อนาปานสตินั่นเองได้ผลปรากฏตั้งแต่หัวค่ําปฐมยามน่ณแล้วลึกชาดหนุหลังได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นลึกชาดหนุหลังของพระองค์ไปทํากลางราตรีมัชฌิมยามเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายด้วยอํานาจของกรรมทํากรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้น เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนอย่างพระองค์อยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งสมมติอย่างทางสี่แพร่งเราไปอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งใครจะมาทางทิศไหนมองไปเห็นหมดเห็นลูเห็นร่องเห็นสรุปบกบลงไปหมดทางทั้งสี่แพร่งเห็นสัตว์หลายเกิดแต่อำนาจของกรรมกรรมมันทําให้ภพชาติของเราสูงสูงต่ำตๆไม่มีไม่เคยมีอยู่เท่าเดิมไม่มีเกิดชาติเหมือนเดิมก็จริงอยู่แต่ความสุขไม่เคย นิ่งอยู่คงเดิมเท่าเดิมไม่มีนี่คือภาวะกระแสของโลกความเปลี่ยนไปของรูประสังขารความเปลี่ยนไปของนามาสังขารที่มีอยู่ในโลกมันมีภาวะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นกระแสของมันไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้เรามาดูกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถดัดแปล่งได้กระแสลมกระแสไฟฟ้าเราสามารถดัดแปลงได้กระแสลมทาได้ไหมทาได้ ก็ดูพัดลมสิกระแสน้ำเลยน้ําปกติมันไหลไปที่ต่ําเขาก็ดัดแปลงได้ดูดขึ้นที่สูงได้ดันขึ้นที่สูงได้ดูดขึ้นที่สูงได้ดัดแปลงได้แต่ว่าอันนี้จังทุกขั้นอัตราที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไม่มีใครสามารถจะมาดัดแปลงได้อ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ทรงเกณฑ์ว่าเป็นอัตราว่าเป็นตัวเป็นตนโอ๊ยไม่ใช่เราหอกถ้าเราเราต้องบอกได้ เว่าเหตุที่เราบอกไม่ได้นั่นเองมันไม่ใช่เราแต่เราไปกะและเกินไปเกณฑ์และเกินเอาใจของ เ, เราไปกะไปเกณฑ์ขอให้น้ำจงเป็นไปตามใจของเราขอให้นี่นจงเป็นไปตามใจของเราเหมือนเราต้องการให้ไฟดับไฟย้งดับไฟยงดั บ, ดบเราไม่เอามือไปปิดสวิตต์ดิมันจะดับไหมไม่ดับเอามือไปปิดสวิตต์ปั๊บนดิมืดตึ๊บไฟยงติดไฟจงติด <c oughs> ไม่เอามือไปกดสวิตต์เนี่ยไฟยติดไหมนี่คืออํานาจความอยากของใจ กิเลที่มีอยู่ในหวัวใจข อ, ของพวกเราไปเช่นเดียวกันมันเอาความรู้ของเราไปกะสิ่งนู้นไปกะสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจนึกคิดของตัวเองกะสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจนึกของตัวเองใครมีทิฐิมานะมากเราดูเห็นชัดไปกะไปเกินตอนงี้นที่ตอนงอี้สิตอนนี้กันสิต อ, งองนงี้ ส, ออสิไปกะไปเกินนะอบางทีก็พูดให้เขาอยู่ในอำนาจของตัวเองเขาหูก็ฟังอยู่แต่ใจเขาด่า ทำไมเราบอกไม่เชื่อทำไมเราบอกไม่ฟังทำไมเราบอกทำอย่างนี้แล้วไปทำอย่างนั้นทำไมไม่ทาตามที่เราสั่งเน่เขาก็ทาเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ข้างในเ้าด่าเหมือนบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างดอกเราบังคับได้ใจหนึ่งเดียวคือใจเราเท่านั้นใจคนอื่นตั้งแต่สองใจเป็นต้นไปแล้วบังคับอะไรไม่ได้ทั้งนั้น พมะย่างพุทธเจ้าท่านสอนสาวกเนี่ยท่านดูที่ใจของสาวกใจเขายอมรับแล้วยังถ้าใจเขายอมรับแล้วถึงค่อยใสธรรมะที่จะทําให้เกิดผลเหมือนอย่างใสกับพระอุรุลักษณ์ ป, ปะนัึงพอเห็นเขาข้างในดูข้างในก็ยอมศีโรราดยอมเต็มร้อยแล้วก็ใส่ปับ๊บเนี่ยได้ผลเลยใช่ไหมไฟติดเลยใส่ปั๊บนี่ใส่ปั๊บนี่ยเพราะพวกนี้มันกลัวกลัวริ้กลัวดีด โลเดดพอไปพูดลักษณะว่าเห็นข้างในโร่วงหมดโ อ, โอ้เริ่มใส่ศ ร, รทัทธาอลไรท่เนี่ยเริ่มใส่ศ ร, รัทธาแล้วยอมหมดโอ้โหเราสูงไม่ได้โอ้เราสูงไม่ได้อไไดยอมอลไรท่ เ, เนี้ยเนี่ยฤทธิเดชของพระเจ้ามีสามารถปราพวกมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้แหละอไม่งั้นมันระรานอยู่นั่นแหละมีฤทธิ์มีเดชแต่สิ่งเหวันนี้ก็เป็นเครื่องรอใจ ใครทามีทําเปลี่นก็ทาอัธยาศั ย, ยใครทําไม่มีทําไม่เป็นเราหันมาตรองหนทางมหาศีปรปถานหลักไปได้พวกเราทั้งหลายได้เสียสละเวลามาประกอบบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นว่าจะมาสวดมาประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดเป็นสับรีเป็นธรรมะทั้งนั้นหลเราสวดเป็นสบรี หลวงปู่มั่นท่านยังกล่าวไว้ในหนังสือหนึ่เราลอกกันไปลอกกันมาเห็นอกล่าวในใจกล่าวพอได้ยินเฉพาะตัวเองกล่าวคนทั่วไปได้ได้ได้ยินกล่าวเสียงดังแรงๆโอ้อันนี้สงไปตลอดอ น, นันตะจั ก, กรวาลรำพึงรำพันพึมพำเกี่ยวกับเรื่อง ท่องเรื่องบนภายในใจของตัวเองนี่ดาในสองหมื่นจักรวาลสวสดธรรมดาธรรมดานี่ด่าในสองแผ่ไปได้แสนโกรจักรวาลสวดเสียงดังดตั้งปกตั้งใจสวดจริงจังเนี่ยอ่าอันนี้สองแผ่ไปได้แสนโกรจัจรจไไกรวาล ได้อันันต a j j g a w a อันันตาจ j ก g วา a n ไม่มีขอ้อพิจารัาอะไรที่แผ่ไปได้มากมายถึงขนาดนั้นก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าละแผ่ไปพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ตรงไหนเนี่ยยิบตรงไหนในโลกนี้ก็เทือนถึงกันหมดคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนันัตตา มันจะอยู่กี่โลกกี่จั ก, กรวาลไหนก็ตามมันตกอยู่ภายใต้อํนานาจของอันนี้จังทุกขรั้งนั้ตาทั้งนั้นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างท่านเดียวไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขั้งนั้ตาโลกไหนก็ตามจั ก, กรวาลไหนก็ตามอันนี้จังทุกขรังงนั้นตาปรากฏที่นั่นแหละ ไม่มีพบใดไม่มีโรคใดไม่มีจักรวาลใดมาหอ่อมาห้มมาปิดมากัน้นให้เราพ้นเหมือนพระสงฆ์สาวก พ, พระอริยสาวกเหมือนพระพุทธเจ้ากันพ้นไปแล้วนึ่งไม่มีอะไรมาบีบมากัน้นมาปิดมากัน้นไม่มีอันนี้ใจหมดทุกข์ของน้ำตาไม่มี เพราะฉะนั้นพบชาติของพระองค์จึงดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาเหมือนกันอดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาผู้บริสุทธิ์ที่ดำรงตนอยู่ตลอดอนันตกานั้นมีอยู่เป็นความรู้เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้อง คือชื่อว่าสังขารคือสิ่งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปถ้านเรียกว่าสังขารเมื่อเข้าไปไปประกอบกันแล้วไม่เคยนิ่งไม่เคยทนอยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอเราใช้คํำนี้เรามาดูรอบข้างตัวเรามีแต่กองสังขารทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ก็คือกองสังขารกองนึ้งเด็ย หลอดไฟพัดลมเสาแต่ละต้นแต่ลต้นกองสังขารกองหนึ่งกองหนึ่งเท่นั้นมันสําเร็จรูปมาจากสิ่งที่ปรุงที่ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างไปประกอบกันร่างกายของเราพระเจ้าท่านก็ว่าพอประมาณดินน้ําลมไฟกองสังขารสิ่งประกอบกันอืนอกจากนั้นท่านก็แยกอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยคือกองสังขาร ากายเป็นกองสังขารใจก็เป็นกองสังขารทําไมใจของเราจึงเป็นกองสังขารไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะไม่มีอะไรเพราะใจของเรามันถูกเคลือบแฝงไปด้วยกิเลส ต, ตัณหามันมีกิเลส ต, ตัณหามันปนเปื้อนมาด้วยเป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องมาชักมาล้างมาขัดมาเกลา่าด้วยเรียวแรงของใครของเราต้องชากต้องล้างด้วยด้วยเรียวแรงของเราเอง พระพุทธเจ้าท่านเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเองเราต้องชะเองต้องล้างเองเพราะว่าสังขารของเราไม่บริสุทธิ์พอชะล้างบริสุทธิ์แล้วหมดสภาพความเป็นสังขารพระจิตของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวก พ, พระอริยาสาวกท่านไม่มีกองสังขารกองสังขารกายก็ม่มีกองสังขาร น, นามก็ไม่มีรูปก็ไม่มีนามก็ไม่มี แต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์มีอยู่รองเข้ามหาปรินิพานเอาผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่แหละพาดพิงไปที่สมมุติเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อารมณ์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ี่มองเห็นเวลาผู้รู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยไปพาดพิงนี่มองเห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมที่จิต ด, ดวงนี้ฝึกฝนโ ฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่ความเป็นพระอาหารหันต์ความเป็นพระอาหารหันต์คือจิตบริสุทธิ์หนึ่งเดียวยังมีอยู่ในโลกแต่ถ้าหากไม่พลาดพิงสมมุติเราจะมองไม่เห็นเหมือนพระอนุรุทธะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าออกจากรูปสมมาบัติอรูปสมาบัติก็ไม่เข้ารูปสมมาบัติก็ไม่อยู่มองไม่เห็นแล้วตอนนี้ ได้มาพรองปรินิพพานแล้วนี่คือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ชะให้เหลือชะล้างให้สะอาดเหลือหนึ่งเดียวไม่เป็นกองสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากสังขารเนี่ยนี่คือบรมสุขพอไปถึงตรงนี้แล้วคือบรมสุขพระเจ้าท่านสามารถทำให้ถึงที่สุดได้าศาสนธรรมของพระองค์สอนไปให้ถึงที่สุดได้ แล้วทุกคนที่จะมายุติพบชาติได้ก็ต้องมาตรงนี้ถึงจะมายุติได้ไปคำสอนอื่นศาสนาอื่นศาสนาศาสนธรรมอื่นศาสนาอื่นก็เป็นเพียงรองรองลงไปสุดท้ายที่จะหมดพพหมดชาติแท้จริงจะต้องเข้ามาตรงนี้ทั้งนั้นจะต้องเข้ามาตรงนี้ทั้งนั้นพระยานบดารัททิทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกที่พระองค์ จงตรัสไว้พอประมาณหกสิบกว่าทิศทีนั่นนะเป็นความรู้ความนึกความคิดของปราดของมันดิดทั้งนั้นแหละออแต่อยู่ในกรอบของอันนี้จังทุกข์ของอำนาตาทั้งนั้นไม่มีใครบรรลุกรอบอันนี้ไปได้เท้งนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเราก็พยายามสั่งสมอบรมบุญกุศลก็สูงหัวใจขาว่า ภาวนาข้ามปีคืาว่าสวดมนต์ข้ามปีเราก็อยากได้กับเขาด้วยเหตุที่เราลงทุนลงรอนลงเรี่ยวลงแรงลงไปเราไม่เสียเปล่าฉานัน้มีผลมีอนิสงส์ตอบแทนคือความสุขในหัวใจของเราเพิ่มบุญกุศลในหัวใจของเราเพิ่มบุญยักกิริยาในหัวใจของเรา วันนี้เราได้ประสบผลสาเร็จชิ ด, ดังเมชนะแล้วชนะแล้วตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วหกทุ่มสี่สิบนาทีแล้วก็เป็นอันว่าสมควรเก็เวลาเพราะผู้จะอยู่ก็มีผู้จะกลับก็มีใครกลับก็ขอให้ปลอดภัยพระประคองกัน อชยบอกกันอะไรกันใครเหงาน อ, นอนมากงงเราไม่ไม่ต้องขับอบอกกันเตือนกันล้างหน้าล้างตา อ, อาไปเอาต้นไม้เป็นเบรกนะไม่ได้วัดนี้เอาต้นไม้เป็นเบรกมาหลายคนแล้วเอากอไผ่เป็นเบรกเพราะอะไรเพราะคำนี้สัจชิกเนสัจชิกเอาเสาไฟฟ้าเป็นเบรกโดนมาแล้ว ขา3สามทนหมดเละอืมต้องระวังเรื่องง่วงเหงาหาวนอนนี่เพ้อลงไปพ่อพ่อกับมันพ่อกับคนเมาล่ะพ่อพ่อกับเมาเล่าเนี่หมดความรู้สึก่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราตั้งใจบำเพ็ญบุญเข้าสู่หัวใจของเราผู้จะอยู่ก็ให้โชคดีให้แล้วคล้าให้ปลอดภัยผู้จะเดินทางไกล ที่พักที่อาศัยก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้มีความสุขกายขอให้มีความสบายใจตลอดปีเก่ามาแล้วตลอดปีใหม่เนี่ยปีเก่าปีใหม่สงช่วง<ม>เราบำเพ็ญคุณอาความดีตลอดทั้งหมดนี้มีมล่วนมีผลมีอนิสงส์ขอให้ผลอนิสงส์ยงช่วยอำนวยอวยใยให้พอได้พวกเราทั้งหลาย ประสบความสุขความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาที่เจ้าด้วยศีลด้วยธรรมโดยช่วนากา ร, าราจบแค่นี้